ภควตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัพนโมตัสสะภควัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัพนโมตัสสะภควัตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัพ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะภะคะวะโต อะราหโตสมมาสามพุทธะปุถังสรนังคัจามิปุถังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิสังขังสรนัง กชามิทุติยมปิพุทธังสรนังกชามิทุตยมปิพทังสรนังชาม an ิทุติยมปิธรรมังสรนังกชามิทุตยมป an <tag> <frick alle> ิธมังสรนังชามิทุติยมปิสังขังสรนังกชามิ <bits> <Trans> <rehears als> ทติยมปิสังขังสระนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสระังกัจฉามิทติยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทติยมปิธรรมังสระังกัจฉามิทติยมปิธมังสรนังัจฉามิ ตียปิสังคังสรนังกัจฉามิตียำปิสังคังสระังคัจฉามิติสระคัมนังนิทิตังอามะพันเตกล่าวคารวะพ่ะครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนุสการมูสมณะระ้พิสูจทุลุด้วยความเคารพครับ เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนรัติานีโสกและอยู่ที่บ้านทุกๆคนวันนี้ก็พบกับรายการวิธีอริยธรรมเช่นเคยตั้งแต่เวลา9ก้านรกาถึง11เนาิกาโดยประมาณนะวันนี้ตรงกวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2 5 7แรม9้าข้าเดือนส2องปีมามียนะ รายการวิธีการได้ทำวันนี้ก็จัดอยู่ที่บ้านราษเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้บ้านงามเมืองพุทบ้านพิสุทธิ์เมืองอมะตะนะ น, นี้คือชุมชนราชเนียโศกในช่วงปลายปี .2557 ต่อเนื่องต้นปี2558เราจะมีงานวสามบนะคือวอบบ คือวิชารามบรรดาบัณฑิตบุญนิยมนะตั้งแต่วันที่28่ธันวาคมถึงสมกรารปะนะ่าจะมาจำไม่แม่นนะถึงนะสามมกราถูกต้องนะแล้วก็เราจะรับสมัครตั้งแต่หนึ่งธันวาคมถึง25่ธันวาคมนะการรับสมัครก็จะมี3ประเภทนะประเภทที่ไม่เคยได้เลยนะคือเข็มเขมยังไม่ได้เลย แล้วก็เคยสอบประเภทที่ได้หนึ่งเข็มประเภทสองเข็มประเภทพ อ, อมีแค่สองเข็มเนี่ยมาเข็มที่สามใช่กำลังจะเป็นเร่อรุ่นที่3เข็มที่สามแลก็มาสอบสอบแห่งความปรมาตธรรมในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่การบําเพ็ญคุณนะคือมาปฏิบัติธรรมดูให้เป็นจริงจังแล้วก็บำเพ็ญธรรม แต่มาว่าช่วงที่งานบอสามบอเนี่ยถ้าเรานําปฏิบัติได้เป็นชีวิตประจําวันตลอดไปเนี่ยแต่มาว่าบรรลุธรรมแน่นอนเลยนะแต่พอพ้นจากเจ็ดวันไปแล้วก็ไปไปอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งแตมาว่าเป็นแบลหัดที่ถ้าเราทําซ้ำๆไปบ่อยก็จะสามารถที่จะไปบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาเนี่ยนะมันก็มีระบบการเรียนการศึกษาแตา่มา <c oughs> เรียนวิลัยครูมา 6ปีนะเรียนตั้งแต่จบม .3 มันจบเรียนอย่างจปีตรีนะไมู่้เรียนอะไกันก น, น, นะก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าไปสอนเด็กอะไรเนี่ยเราดูว่าเอการเรกาอนเนเการเรียนการสอนเนี่ยดูแล้วในการเรียนการสอนทางโรคเนี่ยคือเรียนแล้วก็จําจําแล้วก็ไปสอบนะสอบแล้วก็ตามตามข้อสอบได้ก็จบทุกวันนี้ยิ่งยิ่งเลวร้ายใหญ่เลยคือประเภทมั่วนะ คือเรียนไม่เรียนไป่รู้จะสอบแบบนี้แหละนะแล้วก็สอบไปแล้วประเทศไทยการศึกษามันก็ตกต่ําไปอย่างเห็นชัดเจนนะซึ่งตบมาตอนหลังตบมาก็การเดียนการสอนนี่ถือว่าเอาประสบการณ์เด็กเป็นสําคัญนะคือเอาประสบการณ์จริงเป็นสําคัญที่ตมาสอนบูศา ส, สนาเนี่ยในขณะที่สอนเนี่ยก็ก็เห็นอย่างหนึ่งว่าบอกกับเด็กว่าการเรียนคือการสอบทุกครั้งที่เข้าโรงเรียน ไม่ใช่มาสอบตอนปลายเทอมแต่ทุกครั้งที่สตาร์ทเข้าเรียนก็คือเข้ามาเมื่อไหร่คือสอบเมื่อนั้นนะนั้นคุณจะต้องเข้ามาตรงเวลาแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนเสร็จก็ต้องสรุปบทเรียนส่งนะเสร็จหลังจากชั่วงก็ส่งบทเรียนทันทีนะนั่นคือเป็นการประเมินผลการเรียนว่าเรียนแล้วรู้เรื่องกั น, นสรุปบทเรียนเป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความประทับใจอ ย, อย่างไรบ้าง ก็เป็นการประเมินผลเขาว่าเขาเรียนแล้วเขาได้รู้อะไรไปบ้างและเขารู้สึกไงที่ขณะที่เรียนอยู่เขาก็ต้องบอกสภาวะจิตที่เขาเรียนอยู่ซึ่งตรรมาก็ถือว่านี่คือการสอบทุกครั้งที่เขาเข้าเรียนนะจะสอบไฟนอต น, นั่นก็นิดนดในหน่อยเท่านั้นเองที่เป็นข้อสอบความรู้โดยทั่วไปเล็กน้อยแต่การสอบตัวนี้ก็คือสอบจริงๆที่ขณะที่เรียนกับเราอยู่และก็ขณะที่นำธรรมะไปปฏิบัติในรอบสัปดาห์รอบเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการศึกษาแบบศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าการศึกษาที่ดีก็คือต้องครบสัตบุรุษอันนี้เป็นคําที่ไม่ได้บอกว่าครบพระทั่วไปองค์ไหนก็ได้อไรเงี้ยไม่ใช่ท่านบอกต้องเป็นสัตบุรุษเราต้องรู้ว่าสัตว์บรุษคือใครกันแน่ควานหาในในโลกนี้ให้เจอนะว่าสัตตุบรุษอยู่ตรงไหนณมุมไหนของโลกนะเราก็ต้องถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่า ถ้าได้ยินข่าวนี่ก็ต้องรีบไปถึงถ้าไปไม่ไหวก็ต้องคลานไปคลานไม่ไหวก็ต้องเถือกถูไปให้ถึงให้ได้เจอสัตบุตต้องฟังทำให้ได้อะไรเงี้ยคือผู้ที่รู้ว่าสัตบุตคืออะไรก็ต้องรีบไปท่านก็บอกต้องฟังทำฟังพระสัจธรรมไม่ได้ฟังธรรมแต่ฟังพระสัรธรรมนะทำให้เกิดศรัทธานะแล้วก็มีโยนิโสมนัสการคือทาใจในใจให้เป็นนะ่นะ คือประเด็นสําคัญคือต้องทําใจในใจให้เป็นอันนี้สําคัญมากเลยตะกอนธรรมาก็าไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นตัวนี้คือฟังธรรมแล้วก็คุณต้องทําใจในใจให้เป็นนั่นคือข้อปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่นั่งฟังธรรมตรงนี้ณนะขณะนี้ทําให้เป็นนะแล้วก็คุณก็ต้องไปสุดท้ายก็มีไปไปเจอปฏิบัติจริงมีสติสัมปชัญญะสัมโรมินีสีอะไรก็แล้วแต่เธอนะในทุจริตสมสุจริตสามคุณก็จะเกิดขึ้น คุณก็ปฏิบัติโพชงเจ็มาองแปดสุดท้ายก็ต้องมาตรวจสอบคุณว่ามีจริงๆแล้วคุณต้องมาทบทวนตัวเองบุเพนิวาสานุสติญาณว่าจริงๆแล้วคุณได้ทำอะไรลงไปบ้างนะจุตัวบาทยานรู้ความเกิดดับของคุณเองสุดท้ายว่าอาสะวรรค์ญาณคือกิเลสคุณหมดไม่หมดอย่างไรนั่นคือก็ตรวจสอบกันในอรูปฌานสี่ด้วยว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราเกิดความว่างจริงหรือไม่จากกิเลสในส่วนนั้นๆแล้วจิตเราสะอาดจริงไหม แล้ที่จริงๆเราว่าสะอาดอ่ะมันมันมีอะไรมีส่วนเหลืออีกหรือเปล่านะแม้เล็กน้อยยังมีอยู่หรือเปล่านะแล้วชัดเจนไหมว่าเราดูชัดเจนจริงๆไม่ไม่ใช่ว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างไม่แน่ใจอะไรเงก็ไม่ได้ไมันต้องแน่ใจที่สุดนะอันนี้คือสิ่งที่ผู้จ้าได้สั่งสอนวันนี้ก็มีจดหมายมาถามพ่อครูอีกเช่นเคยนะ ซึ่งจดหมายนี้จากเหตุการณ์ที่เมื่อคืนนี้นะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คือที่ชุมชนราชนียโศกนะมีเหตุการณ์ที่เนี่ยเฮือนศูนี่แหละนะมีการแสดงธรรมก็มีจดหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมานะจากการแสดงธรรมของศิกมรมาชกระคำฝัน ก, ก็มีจดหมายดังต่อไปนี้นะักวัชาการการเรียนพราะครูที่เคารพ ฟังรมจากศิกรมาตกล้าข้ามฝันเมื่อคืนนี้ได้ระลึกย้อนเทียบเคียงตนที่ผ่านมาการศึกษาที่ผ่านการศึกษาทางโลกมาพอสมควรมีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินำความรู้ทฤษฎีซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ที่ไม่ทั่วไปในชาวบ้านมาฝึกหัดทาจริงจนเป็นวิชาชีพเป็นตัวเป็นตนเป็นอาชีพจนดูจะชิ น, ชน เช่นเดียวกันเรบแต่ลึกซึ้งกว่าสมณศิกรมาศหลายรูปที่แสดงธรรมสื่อบอกความจริงที่ชัดชัดวานนี้ศิกรมาศกล้าคำฝันท่านสื่อความรู้ที่ท่านได้รับจากพรอครูจากท่านสมณะจากศิกรมาศจากคนที่ท่านพบเห็นจากเหตุการณ์เอามาสื่อวิเคราะห์มาสังเคราะห์จากความรู้ความจาความเข้าใจวิเคราะห์ สังเคราะห์เชื่อมโยงร้อยเรียงนำสู่ความคิดคำพูดการกระทำของท่านเป็นความจริงได้ชัดเจนจนดิฉันจับได้ว่าทำไมดิฉันจึงรู้สึกว่าการเรียนวิชาทางโลกไม่มีรสชาติดึงดูดให้น่าสนใจเหมือนอดีตที่ไปสแสวงหาไปเสียเวลากับกลุ่มสังคมที่นิยมกล่องเล็บลาบยด ศักดิ์สา ร, รเสวนไม่ได้ปิดและเงินผลประโยชน์คือกลุ่มอาจารย์มหาลัยทั้งโลกที่เป็นกันอยู่ตราบทุกวันนี้ไม่ได้เปิดไม่ว่าจะผ่านไปแค่ไหนสังคมคนกลุ่มนี้ก็ยังก็ยังอย่างนี้ไม่มีย้อนทวนเลยไม่ได้ปิดนะและมีข้อเสนอแนะจากผู้เรียนในชั้นเรียนวานนี้เสนอสิกมาธ ประเด็นการสอบวัดประเมินผลไปในทํานองตีทั้งข้อสอบปรณัยที่วัดความรู้ความจําซึ่งศิกมาสตรก็ตอบว่ามีข้อกจํากัดในเรื่องเวลาตรวจข้อสอบทํานองนี้ค่ะที่ฉันจึงเห็นว่าหากเราชัดเจนในความรู้ความจริงที่ต้องอาศัยความจําและความเข้าใจเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานอย่างสมาธิฏฐิแล้ว จะทำให้เราเข้าใจตรงกันมีทิฏฐิสามัญญาตาจะทำให้อิทธิพจะทาให้อิทธิบาทมีกำลังไม่เสียเวลากับการต่อต้านปฏิเสธอลังการทางโลกที่เขาเคลือบมาให้บ้างขอรัฐนาพ่ะครูช่วยให้สมาธิเป็นแนวทางชำระล้างทิฏฐิเดิมเดิมดังกล่าวนี้ด้วยค่ะกราบนรสการด้วยความเคารพค่ะ ครับเขาเขียนว่าอังนี้พ่อครูว่าไงครับก็มีประเด็นที่เราจะต้องพูดก sure> ันอยู่สองประเด็นหลักๆประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องความจริงกับความรู้ประเด็นหนึ่งก็คือปรัยกับอัตไนการเรียนการเรียนของมนุษย์เนี่ยเรียนเพื่อรู้ รู้เรียนเพื่อให้เกิดความจริงเรียนเพื่อรู้รเรียนเพื่อเกิดความจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาวิเคราะห์วิจัยกันว่าความรู้กับความจริงนั่นมันอะไรแค่ไหนและคอยมาพูดถึงเรื่องปรณัยอัตไนเรื่องความรู้กับความจริงนี่เป็นเรื่องใหญ่ อาตมาก็พยายามเน้นมาแต่ในแต่ในเรื่องความรู้ความจริงนี่เป็นเรื่องใหญ่คนหลงความรู้กันทุกวันนี้ไม่มีความจริงไม่เข้าใจความจริงความจริงมันมีความจริงทั้งสมมุติและความจริงถ้าที่มันลึกซึ้งก้นไปถึงความครบครันความจริงที่เรียกว่าความครบครัน ลองตั้งใจฟังดีๆ ด, ดูนะอาตมาจะพยายามพูดสิ่งที่เป็นจริงที่สุดนั้นคือปัจจุบันนอกจากปัจจุบันแล้วไม่ถือว่าจริงนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นหลักเลยปัจจุบันจริงพ้นจากความเป็นปัจจุบันแล้วไม่มีไม่จริงทั้งนั้น เจนจันตนมาได้อธิบายถึงความสุขอารมณ์สุขคุณสัมผัสเดี๋ยวนี้เกิดอาการอารมณ์สุขเดี๋ยวนี้สุขทางตาหูจมูกริ้นกายใจคุณสุขเดี๋ยวนี้เป็นอารมณ์เลยเป็นอาการความรู้สึกสุ ข, ส ข, สขแต่พอหมดผัสสะเหตุปัจจัยขาดและเมื่อเหตุปัจจัยขาดไม่มีเหตุปัจจัยรูปกำนามมันไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วไม่ปรุงแต่งกันละ แต่คุณมีความจำคุณจำได้อารมณ์สุขนั้นคุณก็จะจำได้อยู่มันก็ต่อเนื่องไปสู่อารมณ์สุขนั้นได้และคนก็หลงว่าไอ้ความสุขนั้นยังมีอยู่ที่จริงมันไม่มีความจริงที่ครบเหตุปจัจจัยละเหตุปัจจัยที่สัมผัสหายไปละส่วนหนึ่งครับหายไปละส่วนหนึ่งอ่าตาคุณมีอ่าแต่สิ่งที่ตากระทบนั้น มันไม่สัมผัสกันแล้วหรือไม่รับประสาทไม่รับรู้อันนั้นแหละแต่ความจํามึงคุณจําอาการหรืออารมณ์ความรู้สึกสุขนั้นได้อยู่คุณก็หลงว่านะั่นคือความสุขที่มีจริงครับอันนี้เป็นความจริงตามสัญญาเรียกว่าความจริงตามสัญญาไม่ใช่ความจริงตามปัญญาถ้าตามปัญญานั้นจะต้องเป็นความจริงที่ มีจริงเป็นจริงความจริงนั้นเป็นความจริงตามความเป็นจริงเขาแปลปัญญาว่าความจริงตามความเป็นจริงมันเป็นมันมีอยู่ครบพร้อมสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เจียวนั่นเรียกว่าจริงที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจยากก็ตรงที่ว่าสัญญาความจำนี่แหละมันจำต่อเนื่องกันมาอ่า จำต่อเนื่องกันมายังต่อเนื่องยังไม่ขาดก็เรียกว่าความจําที่มันยังอยู่ต่อเนื่องพอหายหยุดความจําไปแล้วถ้าคุณจะมาสัมผัสใหม่คุณก็มีใหม่สัมผัสความที่เหตุปัใจจัยใหม่มันก็เกิดใหม่เกิดอันใหม่นี้มันก็เป็นความเกิดใหม่ที่จริงถ้าความเกิดใหม่ที่จริงนี่ไปตรงกับความจําได้เก่า ความเกิดใหม่นี่จริงความรู้สึกใหม่นี่จริงมันไปเกิดตรงกับความรู้สึกเก่าที่เคยเป็นเช่นนี้ที่จำได้มันก็เป็นความจริงที่ซับซ้อนจากความจำสัญญากับปัญญารวมกันเลยก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ที่ครบเพราะอย่างในในทิฏฐิ62สเนี่ยพระเจ้าท่านเอาความจริงในอดีต และคนะระลึกเอาความจริงจากขันในอดีตมาใส่อันหนึง่งสองความจริงยังไม่มีแต่คุณไปคาดอนาคตว่าน่าจะเป็นชนีเป็นชนีเป็นชนีแล้วคุณก็มาะระลึกคุณไปคิดปรุงแต่งเป็นอนาคตและคุณก็จำความคิดความคิดนะจำความคิดนะี่ไม่ใช่ความจริงนะ ความคิดอนาคตที่คุณจําได้นะมาคนที่มีอนาคตนี่แหละเคยคิดอย่างคุณชาตินี้คนคิดไว้ไอ้คนก็ตายชาติหน้าคุณเกิดมาไอ้ความคิดที่คุณเคยคิดเนี่นะมันยังไม่เคยมีความจริงนะยังไม่เคยมีความจริงนะแค่ความคิดที่คุณตักกะคิดเอาไว้เท่านั้นนหะแต่พอมาชาตินี้คุณก็มาระลึกระลึกได้ถึงความคิด ที่เคยคิดเก่าแต่คุณหลงคุณนึกว่าความคิดนี้เป็นความจริงพอคุณมาชาตินี้คุณก็รื้อความจาแห่งความคิดนี้ได้และคุณก็หลงว่าความคิดนี้เป็นความจริงคุณก็ยึดทิฏฐินี้ว่าอันนี้เป็นความจริงอีกก็นี่คือจำนวนอ น, อนาคตจานวนอน า, นาคตอีกสี่สิบสี่สิี่สสี่ซิกิง39 เพราะว่าถ้าจะครบ44มันต้องบวกปัจจุบันอีกหเพราะทั้งหมดมี62ครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งรายละเอียดซ้อนซ้อนอย่างนี้ยากมากเลยที่จะไล่เนี่ยตอนนี้ก็เตรียมอยู่เนี่ยเตรียมจะเอาที่ที62เนี่ยมอาอธิบายในภาคอดีต18ภาคอนาคต62ที่ห้านั่นรวมไว้ในอนาคต ห้านั่นเป็นปัจจุบันนะห้านั้นเป็นปัจจุบันที่รวมไม่ได้อนาคตก็เพราะว่าห้าในปัจจุบันนั้นยังไม่ใช่อัตราชัพคาดว่าจะได้เป็นเพราะในห้านั้นผมอ่านว่ายังไม่ได้เป็นเขาคิดว่าเป็นาเขาคิดว่าเป็นถือว่าการเมื่อเป็นชั้นหนึ่งเ่อเป็นชั้นสองเป็นชั้สามชั้นสี่จาเป็นแต่มันยังไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นอนาคตอยู่ทั้งนั้น ห้านั้นก็ยังเป็นอนาคตท่านจึงจัดหมวดนี้เข้าไว้ในอนาคตเพรา้อธิบายเมื่อกี้ว่าคิดว่าจะเป็นอ่าแตม่มันจริงไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นครับเ น, นี่ยเป็นความซับซ้อนอีกหลายชั้นไอ้ น, นี่ยังมีอีกนะซัดมากกว่า น, นี้อีกแล้วก็อธิบายวันนี้ไม่เจตนาจะอธิบายที่เที่หสิบสองครับเพราะยังรอจังหวะอยู่ว่าปลูก ป, ป, ปูพื้นฐานที้พวกเรามีพื้นฐานไปเรื่อยๆแล้วก็ไปฟังไม่งั้นเมาอารมานยังเมาเมาอยู่เลย ยังกงกงยังไม่ค่อยจะนยังไม่ค่อยคมแม่นชัดเต็มที่ยังไม่โอ้โหมันไม่ง่ายมันซับซ้อนนะทึ่บอกว่าโอ้โหความรู้ที่เกิดจากความจรงิงของพระพุทธเจ้านี่เกิดความรู้ที่เกิดจากความจริงนะและความรู้ที่เกิดจากความจรงิงที่เอาความไม่ยังไม่จริงมามามาอธิบายด้วยเอาความรู้ที่ยังไม่จรงิงเป็นความรู้ของท่าน ที่เป็นความจริงและก็เป็นความรู้ที่ยังไม่จริงเอามาอธิบายขยายให้ฟังทั้งหมดในประดาคนที่มันคิดเนี่ยที่มันมันยึดเนี่ยมันยึดความไม่จริงแม้สิ่งที่เคยมีมันแล้วเป็นจริงพอมาปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่ของอเก่ามันก็ไม่ใช่ของจริงอันเก่าอาจจะตรงกับของจริงอันเก่าเป๊ะเลย อาจจะตรงกับของจริงอันเก่าเป๊ะเลยแต่อันนี้มันอันใหม่มันไม่ใช่ของจริงของเก่ามันจริงไหมครับของเก่ามันก็จริงของเก่ามันพ้นไปแล้วไงหมปัจจุบันแล้วไม่มีจริงไปแล้วหมดปัจจุบันแล้วไม่มีจริงผ๋มันต้องแยกกันใช่ถ้าหมดปัจจุบันแล้วไม่มีจริงคือคนเรามักจะไม่แยกครับไม่แยก เพราะว่ามันคิดเออซ้ําของเก่าแล้วเดิมเลยอะไ้ยสร้างของเก่าแล้วนึกว่าจริงทั้งนั้นครับอันนี้เลยคือความหลงอ๋อนนี้เป็นความหลงนี่แหละความหลงซ้ําของเก่าไม่จริงได้ไงนี่อร่อยทุกทีคุณจําไม่อร่อยนั้นยึดไว้เป็นอุปทานว่าไอ้นี่แหละคืออร่อยจ้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสเปกเนี้ยต้องแมอย่างเงี้ยได้รูปได้รสกินเสียงอย่างเงี้ยคุณจําไว้ยึดไว้เป็นอุปทานครับเป็นอารมณ์อย่างนั้นแต่พอเมอคุณสัมผัสเดี๋ยนี้ปั๊บ ส mai, ัพพัดใหม่ม hmm ันตรงแป๊ะกับไอ้ที่คุณยึดไว้นั้นนี่เลยเห็นไหมันจริงเห็นไหมมันมีอยู่เห็นไหมเนี่ยมันเกิดอยู่เนี่ก็ไอ้ที่คุณสัพพัดเดี๋ยวนี้มันเกิดใหม่เดี๋ยวนี้ยไอ้ความจําเก่าในคุณอปทานเก่าไว้อะมันซ้อนกันอยู่ครับวันนี้มันผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วของจริงเมื่อใดที่คุณปัจจุบันใดที่คุณมีคุณก็มีเมื่อนั้นแล้วจริงนะอะจริงผ่านจากปัจจุบันไปแล้วไม่มีอะไรจริงเพราะอันนี้มันเห็นปัจจัยใหม่เออมันอระกอบใหม่เออล่างกายใหม่เออ แต่เราไปคิดว่ามันเหมือนเดิมมันเดิ ม, ม, ดมคุณไปจําซ้ําจําซ้อนหวามจำเดิมคุณเป็นยึดของเก่ายึดอดีตโอ้อันนี้ซับซ้อนมากยึดอดีตความคิดด้วยบางอย่างครับ <c oughs> บางอย่างก็ความจริงที่เป็นเกิดในปัจจุบันก่อนเกิดจริงในปัจจุบันก่อนแล้วคราวนี้มาสัมผัสใหม่มันเป็นตรงกับความจริงในก่อนความจริงที่เคยเกิดก่อนก็ได้บางอย่างแค่ความคิดที่เคยเกิดก่อนยังไม่เคยเกิดความจริงเลย และคุณก็เป็นหลงความคิดนั้นว่าเป็นความจริงเสร็จแล้วมามาสัปผัหใหม่คราวนี้มันไปตรงกับความคิดที่เคยหลงว่าความจริงนั้นแล้วเป็นหลงว่าเป็นความจริงซอนอย่างนี้ครับมันเหมือนกับอย่างนี้ไหมครับว่าคือสมมติว่าเราตายไปจากชาตินี้เกิดชาติต่อไปเนี่ยมันก็เป็นจิตวิญญาณเราแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คงเดิมไม่ไม่คงเดิมมันก็เป็นคนใ มันจะ เ, <c oughs> เป็นความจํเพอคุณจําก็มีความจําส่วนหนึ่งอยู่ในจิตอยู่ในวิบากจิตพอมาใหม่คุณเกิดใหม่หมดเหตุปัจจัยใหม่ ห, หมดพอสัมผัสใหม่อุวแหวอออใหม่เนี่ยหรือไม่จะไม่อู้แหว่แต่เริ่มต้นมีปัญจสาขามีรูปร่างตัว ต, วตนขึ้นมาในคันจนคลอดออกมานี่ก็มีสติสัพปปชัญญจะได้รับรู้อย่างที่ควบคุมได้โดยตนเองน <c oughs> ะพอออกมาสัมผัสใหม่ ไอสิ่งสัมผัสใหม่นั่นแหะคือความจริงทีนี้ความสัมผัสใหม่คุณยังระลึกเอาความเก่ามาไม่ได้ความจําเก่ายังไม่ขึ้นมาจําได้ว่าอันนี้เป็นงี้เช่นพระพุทธเจ้าท่านจำพุทธกาลกระทำของท่านยังจําไม่ได้ท่านเกิดมาเป็นเจ้าชายศีสธรรมใหม่ท่านก็ไม่ไม่ไ ม, ม่ไม่มีความจริงอ่ะไม่มีความจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้ายัางไม่เกิดความจริงที่ท่านเคยมีแล้วเป็นแล้วยังไม่ขึ้นมาครับที่จริงมันไม่ใช่ความจริงมันความจำครับที่จะมีพุทธการธรรมนี่คือความจําแต่มาสัมผัสใหม่นี่เป็นความจริงความจริงใหม่นี่ถูกครอบงํำทางโลกโล ก, กีท่านก็เป็นคนใหม่ท่านก็เป็นไปอย่างใหม่ใ่ใหม่ๆเป็นเจ้าชายจิตตตาตัวน้อยตัวขาบาบเขาว่าเป็นพรุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามัคือหมายถึงว่าความอไรท่านยังไม่รู้เลย แล้วท่านก็ถูกครอบงาำในรูปลดเกินเสียงสัมผัสวัฒนธรรมเออย่างงี่อร่อยอย่างนี่ดีอย่างงี่ทา่านก็ไปก็เข้าหมดเป็นความใหม่เป็นความจริงครับเป็นความจริงในปัจจุบันใหม่แล้วแ้ท่านก็เป็นโลกโลกใหม่ไปเข้าเนี่ยอะไ ร, รลุบุ๊คพองแต่เอาสัญญาเก่ามาใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่มันมีพลังบ้างไม่ให้มันถลาหรือว่าให้มันจัดจ้านไปมันมีแรง สัมปัต ส, สัมพันธ์ที่โน้มถ่วงไว้ไม่ให้เป็นร้อเอร์ไม่ให้เป็นใหม่ร้อยเปอร์เลยอันนี้นัยยะที่อธิบายภาษาไม่ได้แล้วแต่พลังของความเป็นจริงนั้นจะมีพลังแรงที่ถ่วงไว้ได้มากหรือน้อยและยังมีวิบากเป็นตัวซ่อนอีกที่อาตมาอธิบายไม่ได้ผมอธิบายไม่ได้นี่แหละคือคำว่าวิบากที่มันเป็นอจินไตยยากมากนะ สรุปแล้วพลังของความใหม่ที่ปัจจุบันนี้นี่คือความจริงที่ยึดถือกันรู้ร่วมกันได้ทุกคนครับ e แต่ความจำนั้นมารู้ร่วมกันไม่ได้ของใครของมันแต่ว่าผู้เจ้าบรรลุธรรมมาแล้วนี่คือความจริงของท่า น, เ ป, นเป็น่มันเป็นความจริงในอดีตอบรรลุมาแล้วนะเป็นความจริงในอดีตืถ อ, ถ, อถือว่าในปัจจุบันนี้ไม่ถือว่าเป็นความจริง ไอ้ที่กระทบสัมผัสใหม่แล้วต้องมาเกิดใหม่แปลว่าต้องม า, ามทำใหม่ควาเก่านั้นมาเป็นใหม่ท่านตรัสท่านเองท่านสัมผัส ต, ตอนนี้ท่านม า, มาเกิดใหม่ท่านเห็นรูปนี้เขาบอกว่าสวยท่านเออสวยไปเคขาอันนี้เป็นโลกียแล้วอันนี้ใหม่ละอันนี้เป็นความจริงใหม่ของท่านที่ลึงล่มอมก็ะพริบทกระเพิอไปเขาถูกครอบำงำด้วยความกินแบบโลกลครอบงำมันฉาบอยู่ พอความจริงของท่านที่มีเก่าถ้าไม่ได้ติดไม่ได้ยึดเลยถ้าไม่ได้อร่อยอร่อยเลยแต่ก่อนของของเดิมท่านเนะี่ยซับแทนท่านถ้าเมื่อมันขึ้นมาถึงกับไอ้ของจริงของเก่าของท่านเนี่ยมันขึ้นมามีพลังจริงแทนที่พลังใหม่ที่บอกว่ามันจริงที่ว่ามันโอ้อร่อยไอ้ของเก่ามันไม่มีหรอกอร่อยมันจะเฉยขึ้นมาปุ๊บมมีพลังนี่มันแรงพอมากพอ ไอ้อร่อยใหม่นี่หายไปเลยกำลังกำลังสู้ <นะ S 2> ไม่ได้ครับกำลังสู้อดีตไม่ได้พลังอดีตที่มันมีความเข้มข้นมีความควบแนนมีความจริงที่มากกว่าก็สลายไปก็ล้างไอ้ที่มันมาเข้าใจใหม่นี่ผิดที่ไปเข้าใจผิดเนี่ยหายไปนี่แหละคือสัจจะที่จะต้องสั่งสมพลังงานแห่งความจริงอันนี้ลงไว้ จนกระทั่งถึงขั้นนิจังทุวังสัตตังอวิปริณามัธมังสังสังกปังได้แน่แล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงพอทําล้างกิเลสตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็มีพลังเพิ่มไหมครับจากเดิมเพิ่มสิทถ้าคุณทำเพ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเสังสมตกผลเอาไปเรื่อๆอย่าประมาทให้มันเต็มจนแน่นจนกระทั่งครบครันเป็นนิจังทุวังสัตตังวิปริณามัธมังสังอย่างแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับแต่ว่พลังจิตพอ ผู้เจ้าก็เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยมีมาแล้วใช่เพิ่มอยู่ตลอดเลยแหละอไม่มีอยู่หรอกแสดงว่าเขเป็นของจริงครับคนที่เป็นโพธิสัตว์ไดคือมีจะเพิ่มธตรมชาก็เพิ่มพลังเพิ่มเพิ่มตลเวลาของเก่าไม่ทําแล้งในสัพพะปาระสาระนังแล้วมีแต่กุศลสัมปทาเพราะของใหม่นี้มันเป็นของใหม่ของเก่าที่เราเคยชั่วเหตุปัจจัยที่เรียกว่ากิเลสชั่วมันหมดสิ้นอาสวะแล้วของใหม่ที่เพิ่มขึ้นนี่มันไม่ได้ มันไม่ได้เป็นล้างกิเลสแล้วแต่มันเพิ่มใหม่ที่แข็งแรงทัพทวีทัพทวีทัพทวีจึงเป็นตัวประกันว่ายังไงความชั่วหมาไล่เนื้อก็ไล่ไม่ทันครับก็แสดงว่าคนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องมีภาษาที่หนักขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมสิครับเพราะว่าพลังมันมากขึ้นได้ได้ทีเพราะว่า เป็นการทดสอบ<ช>ก็ถ้าจะเพิ่มบารมีรหมายความ่าผัสสะมันต้องหนักกว่าเดิมผัสสะหนักกว่าเดิมและก็ทนได้มากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆทนได้มากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆไอ้ผัสสะอรหัตผลนั้นเป็นผัสสะที่กิเลสมันไม่เกิดแล้วแล้วขั้นกรดซักซ้อมให้มันทําขนาดนี้ที่แรงขนาดนี้แรงขนาดนี้แรงขนาดนี้แรงขนาดนี้แรงขนาดที่มนุษย์จะมีความแรงเท่าที่มันมีเนี่ย มันจะแรงขนาดไหนก็ต้องทนได้ได้เท่าที่มันมีประจงวงก็ต้องจบนั่นไม่ว่าสําเร็จหมดทุกอย่างเพราะนนมนุษย์จะทําแรงกว่านี้ไปไม่ได้เลยนั่นคือฐานของพระโพธิสัตว์ที่จะต้องเป็นโพธิสัพพัญญุตยานเกิดอย่างที่เต้องห่างเลยนะสมมุติว่ามหาอาอ น, อนิยตโพธิสัตว์นีขนาดนี้ถ้าเลยนี้ทนไม่ได้ เป็นมหาโพธิสัตว์ทนได้จะทนไปได้แค่ทนจนต้องครบมหาโพธิสัตว์แล้วเป็นสัพพัญญุตยานแล้วทีนี้แค่คนระดับโพธิสัตว์ระดับระดับ8มหาโพธิสัตว์ในระดับ8อดนิยตโพธิสัตว์ระดับเมหาโพธิสัตว์ระดับ8ขึ้นไปถึงระดับ9จะเป็นสัพพัญญุตยาน ระดับสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นระดับที่เรียกว่ามหาโพธิสัตว์เนี่ยได้แค่นี้เกินนี้แล้วทนไม่ได้ส่วนสัพพัญยุตยา น, นีจะเกินไปไกลที่มหาโพธิสัตว์ไม่บางอาจที่จะไปข้ามตรงนี้ไม่ได้แต่สัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรที่จะตามทันอีกเลย นี่คือหลักประกันที่เป็นบัฟเฟอร์กันเอาไว้อย่างที่เรียกว่าไม่มีทางเป็นวอลไม่ใช่เบัฟเฟอร์เป็นวอลล์เป็นกำแพงแข็งเลยไม่ใช่แค่บัฟเฟอร์เลยไม่มีทางจะเทือนได้เลยฟังแล้วก็ดูว่าแม้เป็นบริษัทก็คือต้องตั้งตนความลำบากอยู่ตลอดเวลาครับเข้าใจมานี่เป็นเหตุปัจจัยที่แท้จริงเป็นวิยทยาศาสตร์ยืนยันได้เลยขีดเป็นกล้าเป็นอะไรช่องอะไรได้เลย เพราะช่วงระยะระหว่างมหาโพธิสัตว์กับสัพพัญุตยานนี่นะมหาโพธิสัตว์นี่คือโพธิสัตว์เลยจากความเป็นโพธิสัตว์ไปแล้วเป็นระดับเก้านี่เป็นสัมพัญญุตยานเนี่ยโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ไม่บางอาจจะมีพลังงานในระดับของสัพพัญญุตยานที่เป็นสยามภูนี้ไม่ไม่เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งจะเพิ่มไปมากข้างจนกระทั่งก็ขนาดนี้ในมหาโพธิสัตวยังไปไม่ได้แล้ว แล้วนั่นอีกเป็นวอลไม่ใช่บ็อฟเฟอร์เป็นกำแพงกำแพงเหล็กกำแพงอะไรที่มันจะแข็งแล้วก็ไกลหนาสแสดงว่าต้องมันเพนหนักมากครับเรื่องไม่มีการไม่มีอะไรเตรี่ยนได้เลยจริงๆครับเป็นหลักประกันที่วิทยาศาสตร์คุณถ้าศึกษาวิทยาศาสตร์จะรู้เหตุปัจจัยจะชัดเจนเลยครบเลย เชียงไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ต้องยอมจำนนเขาถึง้งยอมแพ้เอาที่นี่เรามาพูดถึงความรู้กับความจริงกันตามที่อาตมาสันค่าสร้างคนหน้า90หน้า90อาตมาได้ระบุไว้วิจัยไว้ว่าความจรงิงคือสัจธรรมเนี่ยนิยามของความจริงนั้นต้องหนึ่งเดี๋ยวอ่านก่อนมีสิบข้อ นิยามของความจริงนั้นคือหนึ่งเป็นความดีสองเป็นความถูกต้องความดีสองเป็นความถูกต้อง3เป็นคุณค่าประโยชน์สเป็นไปเพื่อความพ้นทุกคุณไม่ได้เอามาเลยมากครับจดทําไมล่ะสเป็นไปเพื่อความพ้นทุกทุกอริยสัจต้องวงเล็บ เพราะว่าทุกโลกีเขาก็มีห้ า, าห้าห้าเป็นไปได้ห้าเป็นไปได้หกรู้ได้แม้ขัน้นรู้ได้แม้ขั้นนามมาทำระดับสูงที่สุดถึงขั้นอนัตตาสุญญาตานิพพาน 7เข้าถึงความจริงนั้นหรือว่าตนเองเป็นได้ตามความรู้นั้นแล้วอย่างเต็มใจเป็นตนเองเป็นได้ตามจริงนั้นแล้วก็รู้ตามความรู้ที่รู้มานั้นแล้วอย่างเต็มใจแม้จะยังไม่สมบูรณ์แม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็รู้ไปจริงๆรู้ไปด้วยเป็นได้รู้ด้วยเป็นได้รู้ด้วยยิ่งสมบูรณ์ชนิดสิ้นกิเลสอาสวะก็ยิ่งจริงแท้ แปดเป็นเรื่องที่ผู้ฉลาดหรือปราดจำนวนต่อเหตุผลต่อความจริงที่เป็นที่มีนั้นเพราะเขาเหตุผลก็ก็บอกเป็นจริงนั้นเขาก็มีสิ่งจริงมายืนยันปราดจำนวนที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเอาเดี๋ยวเข อ, อธิบาย 9. กไม่เป็นอื่นอีกแล้วนะเอาไปแนะนำมาทำมัง อวิปริณา ม, รรมันทำไม่เป็นอื่นอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมั่นคงนิจจังทุวัง ส, ะสะตังยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงอวิปริณามันทำมังเป็นแล้วเป็นเลยสังกุบปังเป็นอย่างนั้นเป็นแล้วเปเลยไม่กลับกําเลิกสิบเป็นสภาพที่สามารถท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เชิญให้มาดูได้ท้าตายมาพิสูจน์ได้เป็นเอเฮปสิโก้สนี่คือความจริงสิบข้ออ่า เพราะงั้นมาขยายความจริงกันสักหน่อยหนึ่งว่าความจริงนี้มันประกอบไปด้วยอะไรสิบข้อนี้แหละคือความจริงและความจริงที่ว่านี้อาจะมาขึ้นต้นแล้วว่าต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นด้วยปัจจุบันที่พร้อมไปทั้งกายและใจนะ ปรากฏอยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่หลัดหดต้งต้อนี่แหละมีอยู่ครบคันเหตุปัจจัยครบครบนี่แหละคือความจริงเป็นสิ่งปรากฏอยู่จริงเป็นฟินโนมิน่าพงศพจนนะฟิโนมินาแม้ผู้ที่มีความจริงนั้นปรากฏอยู่จะไม่รู้ตัว จาไม่มีความรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่สิ่งจริงนั้นมีอยู่ทั้งภายนอกและภายในเป็นเป็นได้จริงทั้งภายนอกภายในเป็นความจริงนั่นอยู่ผู้นั้นเป็นได้จริงๆอยู่อย่างนั้นแม้เจ้าตัวไม่รู้ก็เป็นความจริงแต่เจ้าตัวนั่นอะยังรู้ไม่ครบเท่านั้นเองแต่เป็นจริงแล้วส่วนผู้ที่รู้ว่าควรเป็นเช่นนี้ ควรเป็นเช่นนี้ผู้ที่รู้เข้าใจควรเป็นเช่นนี้แต่ตัวเองยังไม่เป็นไม่ได้ผู้นี้สิมีแต่รู้ไม่มีความจริงครับผู้นี้มีแต่รู้ไม่มีความจริงทวนอีกทีส่วนผู้มีความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยทั้งนอกและในแต่แกเขาไม่รู้บัญญัติไม่รู้ภาษาไม่รู้เหตุผลไม่รู้ความที่จะพูดได้แต่เขาเป็นแล้วนะครับ เป็นจริงแล้วแต่เขาไม่มีภาษาเขาไม่มีความรู้ก็ไม่มีบัญญัติเขาไม่มีเหตุผลที่จะพูดความจริงนั่นออกมาได้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจด้วยวเหตุผลเป็นไงแต่เขาเป็นอะ่ะเขาเป็นได้อ่ะทั้งใจและกายเดี๋ยวก็ขยายกายอีกทีหนึ่งเพราะกายนี่แหละสับสนกันทุกวันนี้เขาเป็นได้แล้วอันคนนี้ละมีความจริง แต่เพียงไม่มีความรู้เท่านั้นส่วนคนที่รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่เขายังเป็นไม่ได้ยังเป็นไม่จริงเขาไม่ได้เขาไม่เป็นเขาไม่มีแต่เขารู้รู้ตรงอย่างนี้อย่างนี้คนนี้มีแต่ความรู้ไม่มีความจริงชัดเจนไหมโลกทุกวันนี้ความรู้นี่แหละเยอะ แต่ความจริงหามิได้นี่แหละเยอะแล้วเอาความรู้นี่มาตีราคาข่มความจริงกันอยู่ทุกวันนี้นี่คือความผิดพลาดตอบได้ว่าบาป ค, คือความผิดพลาดเพราะเอาความไม่ดีมาข่มความดีเอาความไม่จริงมาข่มความจริงและตีราคาเสเวยผลอะไรตอะไรต่างๆนาน า, นาได้ทั้งลากยศสันเซอรลกีสุบา ต่างๆมันเป็นความบาปมันเป็นความที่ขบทต่อความจริงที่เขาไม่รู้จริงๆเลยอยู่ทุกวันนี้แล้วเขาเขาลงว่าเขาได้เปรียบลงว่าได้เปรียบแต่โดยสัจจะแล้วโดยสัจจะเขาสั่งสมวิบากบาปเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้เอาเปรียบเอารัดมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ในสังคมโลกไม่แต่แต่ในประเทศไทยยิ่งในประเทศอื่นที่ไม่มีพุทธเนี่ยยิ่งรู้ยากขออภัย พูดข่มเขานีความจริงยิ่งขมมากยิ่งเอาเปรียบ ม, มากยิ่งขบฏมากยิ่งบาปมากคนไทยแท้ๆก็ยังเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าจ่าาาเป็นพุทธไม่มีความรู้นี้แล้วตนเองก็มีสัจจริงมีความจริงที่ตัวเองได้บาปแต่หลงว่าตัวเองมีบุญยังไม่ได้ บุญแปลว่าการชำระ ก, กิเลส น, น, นั้นไม่ได้มีบุญมีแบนอะไรเลยสะสมบาปและเต็มไปด้วยอกุศลเพราะตนเข้าใจว่ากุศลตนเข้าใจว่าอากุศลเป็นกุศลเข้าใจว่าอากุศลเป็นกุศลเข้าใจว่าสิ่งไม่จริงนั้นเป็นสิ่งจริงนี่มันซับซ้อนอย่างนี้นะวันนี้อาจจะยาก อาตมาว่านะยากแต่ผูดด้ใดเข้าใจได้ยังไม่สับสนเลยชัดเจนแม่นคมด้วยคนนั้นก็มีพลังแห่งความรู้ที่ดีมีพลังความจริงอยู่บ้างแน่นอนและมีปฏิภาณดีนี่ก็ขอเตือนให้สติไปสำหรับคนที่มีความรู้แล้วก็ไม่รู้ความจริงที่ครบครันทั้งหลาย โดยที่ตนเองใช้ความรู้นั้นเอาเปรียบเอารันเขาอยู่รู้ตัวเลิกได้หยุดเถอะเพราะกรรมวิบากเป็นความจริงกรรมวิบากเป็นสัจจะสังสมความบาปที่จริงสังสมกิเลสที่จริงสังสมความเป็นอกุศลที่จริงมันสะสมเป็นของตนของตนเป็นกรร ม, มรสกะรเป็นกรรมเป็นของของตนที่แท้จริงนะถ้าคนรู้แล้วหยุดเลิกได้เป็น สิ่งดีของคุณนะแล้วก็พยายามล้างกิเลสที่ตัวเองยังหนึ่งเอาเปรียบก็หยุดได้ก็เลิกท่านั้นสองล้างกิเลสตัวที่มันยังอยากเอาเปรียบอยู่ให้มุนหม ด, หมดจนมันไม่อยากเอาเปรียบอีกแล้วล้างหมดมันก็จะไม่คิดเอาเปรียบอีกเลยมันจะไม่ดำ m ปริไม่ดำ m ริที่จะมาเอาเปรียบใครอีกเลยนะถ้าทำได้เอาทีนี้คนที่ไม่รู้ ทวนอีกนิดนึงว่าความจริงนันอาตมาบอกนัยยะมิติแห่งความจริงไปสิบประเด็นที่จริงมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเอาแค่สิบนี้ก็เลือ ก, กินนะหนึ่งเป็นความดีสองเปความถูกต้องถูกต้องในกรู้เข้าใจกันว่ามันไม่ผิดน่ะหนึ่งความหมายถูกต้องในความหมายอันหนึ่งก็คือมันไม่ผิดคําว่าถูกต้องอีกความหมายหายนึ่งก็คือมันสัมผัสอยู่ เป็นภาษาบาลีสมัมผัสผดอยู่มันแตะอยู่มันมันมันมีเหตุปัจจัยทั้งรูปและนามครบอยู่แตะกันอยู่รูปกับนามนี่เรียกว่าถูกต้องอีกความหมายหนึ่งสอนหนึ่งเป็นความดีสองเป็นความถูกต้องสเป็นคุณค่าประโยชน์คาว่าคุณค่าประโยชน์นี่ก็มีสองในในยะหนึ่งก็คือโลกี คุณค่ประโยชน์โลกียยก็ได้บํำเบลกิเลสก็ว as, ่าดีว่าเป็นประโยชน์ว่าดีว่าเป็นประโยชน์มันเห็นเกตตัวมันบำเบลกิเลสตัวเองส่วนประโยชน์ของโลกุตระนั่นคือรู้กิเลสแล้วล้างกําจัดกิเลสได้เป็นประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ตนอัตถะที่เป็นปรมาจารย์เป็นประโยชน์ตนที่เป็นปรมัตา์ ลบร้างกิเลสไม่บําเลออารมณ์ไม่บํารบเรอกิเลสตัณหาความอยากความไม่บําเลออุปทานส่วนพวกที่เห็นว่าบำเลออุปทานแล้วโอ้โหชื่นใจชอบใจเป็นสุขพวกนี้เป็นประโยชน์แบบโลกีซึ่งยังไม่เข้าขั้นเป็นโล ก, กุตระเลยลเขาก็ถือว่าประโยชน์ในแบ่งเป็นโลกีกับโลกีลล ก, กุตระสเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้เป็นอริยสัจแท้ พระพุทธทเรียนรู้อริยสัจก็คือต้องรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานต้องรู้จริงๆเลยจิตเจตสิกห้าสิอจิตอีกแปดสิดวงอะไรที่ประมาณนั้นน่ะต้องอ่านอาการเหล่านั้นออกจริงๆต้องรู้ว่าจิตของเรานั้นมีตัวเหตุคือกิเลสเป็นอากาศกิเลสกิเลสตัณหาอุปทานหยาบกลางละเอียดยังไงก็เอาเถอะม่ขยายความมันจะยาวไป อ่านแล้วก็กําจัดมันได้กําจัดมันได้จึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์แต่แค่บำเบอกิเลสกิเลสมันยากแล้วก็อ่านจิตไม่เป็นโลกีบำเบอแล้วก็เออมันไม่ทุกข์แล้วมันสุขชุนใจสบายใจชอบใจอันนี้ก็พ้นทุกข์โลกีแต่พ้นทุกข์โลกุตระนั้นมันไม่ทุกข์มันไม่สุกมันลดไอ้สุขโลกีมันลดไอ้เหตุแห่งทุกข์โลกี หรือเหตในทุกโลกุตระด้วยซ้ํามันลดเหตุปัจจัยสมุทัยแท้ๆเลยลดได้สงบลงสงบลงสงบลงสงบลงสงบลงนั่นเรียกว่าสุขอย่างสงบอุปสมโทสุขมันเป็นลดสุขสงบมันไม่ใช่ลดบําเร็ญกิเลสเป็นลดชาชาชาชาชาจัดขึ้นมาเป็นลดโลกีนะมันก็ต้องเข้าใจความทุกข์รู้สุขแบบโลกุตระ ทุกขสุขแบบโลกิยะด้วยห้าเป็นไปได้มันเป็นไปได้ก็ต้องยืนยันทั้งปัจจุบันมันเป็นไปได้ขณะนี้สัมผัสอยู่มีเหตุมีปัจจัยอยู่ทั้งนอกและในใจเราด้วยวัตถุ ข, ข้างนอกด้วยสิ่งที่เขาสัมผัสข้างนอกด้วยเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าจิตหรือปรุงเป็นเวทนาการปรุงเป็นเวทนานาเรียกว่าสังขารปรุงเป็นอารมณ์ปรุงเป็นความรู้สึก แ ล, แล้วเก็สุขรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีสามแง่ใหญ่เท่านี้แหละแต่สุดสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยอีกนับไม่ท้วนแต่นี่รายละเอียดมันหมักหนักมันมา ก, ม, ม, า ก, ม, ม, ากมันหนักมันเบาอะไรวะโหเยอะตัวใครตัวมันเพราะงั้นเราอา่าสภาวะพวกนี้ได้จริงนี่แหละคือความจริงเมื่อวานในวันก่อนเนี่ยแม่ตีน้อยหมยน้อยอ่ะ มวยมวยเล็กตีน้อยมวยเล็กอะที่ถามว่าสภาวะคืออะไรเนี่ยเห็นใจเห็นใจอาตมาเห็นใจจริงๆนะเข้าใจเคำว่ า, าภาวะหรือภาวะยังไม่ได้คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นโดยตนรู้ทัพข้างนอกยิ่งไปรู้อ่านอาการอารมณ์ข้างในนั่นแหละคือสภาวะที่จะต้องรู้รู้ข้างนอกสัมผัสอยู่ต้นตเป็นดินน้ำลมไฟมันก็ดูง่ายๆพอเข้าไปรู้กายในกาย ตอนนี้จะอธิบายกายแล้วนะองค์ประชุมอยู่ข้างนอกพระหิทากรูปานิมันก็เห็นเป็นอย่างนี้ชี้บอกกันได้หมดเป็นสมมติสัจจะทีนี้พอเข้าไปข้างในของใครของมันไม่มีใครรู้ได้ด้วยรูปอย่างนี้อยู่ข้างในคุณก็อยู่นามธรรมาของใครของมันในขณะที่ตาก็สัสรูปอยู่จิต ในจิตเข้าไปข้างในก็เป็นองค์ประชุมของตากระทบรูประสาทรับรู้มีธาตรู้รู้อยู่มีเป็นภาพนี้ก็ยังเห็นภาพได้แม้คุณหลับตาแล้วตัดสวรรค์นอกแล้วภาพนี้ก็ยังปรากฏอยู่ก็เป็นรูปองค์ประชุมเรียกว่ากายในกายถ้ายังไม่ตัดตายังไม่หลับประสาทกรรับรู้ข้างนอกอยู่ด้วยพร้อมกันนั้นคุณก็รู้ข้างในอยู่ด้วย ทั้งนอกและในนั่นก็คือรู้ครบทั้งนอกและในเป็นปัจจุบันธรรมรู้ครบทั้งนอกและในเรียกว่ากายในกายทั้งนอกและในของรูปทั้งหลายพระหิทธารูปานิรูปานิแปลว่ารูปทั้งหลายพระหิทธาแปลว่าภายนอก แล้วก็ยังเห็นทั้งภายนอกตาคุณถึงตาลู ก, กตาก็เห็นด้วยประสาทใจของคุณก็เห็นได้วยญาณเห็นด้วยธาตุรู้ข้างในตั้งแต่สัญญากําหนดหมายรู้ว่าไอ้ น, นี่เป็นอย่างนี้อ้ น, นี่เป็นอย่างนี้อ้ น, นี่เป็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงความรู้เรียกว่าระดับปัญญาคือรู้ทุกอย่างละเอียดละอ่ตามความเป็นจริงปุถุชนก็รู้ระดับหนึ่ง โสดาบันก็นรู้ระดับหนึ่งสังกิทารู้ระดับมังก ร, รนาคาขัดับหนึ่งอราหัน ร, รู้รดับหนึ่งโพธิสัตว์รู้ไปจนกระทัง่งถึงพระพุทธเจ้าก็รู้คนละระดับไปหมดตามความเป็นจริงของแต่และฐานะแต่และบุคคลนะเพราะฉะนั้นการรู้กายในกายนี่แหละมีทั้งรูปนอกมีทั้งธาตุรู้ข้างในไม่ขาดกันขาดจิต จิตไม่รับรู้เมื่อไรข้างนอกไม่มีประสาทรับรู้ตากระทบแสงกระทบไปถึงลัตินา่าไปถึงม่านตาแต่ประสาทคุณไม่มีประสาทคุณไม่รับรู้ประสาทคุณสัญญาไม่กำหนดร่วมการกำหนดรู้ร่วมสัญญาในตัวาธาตุรู้ชนิดหนึ่งเจตสิกชนิดหนึ่งมันไม่ทำงานร่วมต่อให้คุณตาบึงเพ่งอยู่ไง แต่ประสาทคุณไม่ได้ทำงานสัญญากำหนดเลยคุณก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ต่อให้แสงสว่างจ้ากระทบจากนี้สะท้อนก็ไปถึงบ่านตาเรติน้าอย่างไงอย่างไงอย่างไงประสาทคุณก็ไม่ทางานประสาทตูปไม่มีโคจรรูปมี <c oughs> เป็นวิสัยของผู้ไม่รู้เพราะประสาทคุณไม่ทำงานคุณก็ไม่รู้ เมื่อคุณไม่เรียนคุณก็ไม่รู้ทําไมไม่เห็นวะอ้าวกระปศาต์เองไม่ทํางานนะี่มันก็ไม่เห็นนะทีแม้โคจระสิ่งนี้ดําเนินอยู่ตั้งเหตุปัจจัยข้างนอกข้างในวิสัยรูปโคจระรูปก็คือวิสัยของคุณนเป็นอวิชาหรือวิชาถ้าวิชาเริ่มรู้แล้วอ๋อประสาท ต, ต้องทํางานประสาทคุณต้องรู้แล้วว่าประสาทของคุณถ้าประสาทของคุณไม่เสียคุณไม่กดมันไว้มันก็รู้แบบนี้ศาสนาพุทธ คนจะเรียนรู้นี่ต้องมีภาวะสมบูรณ์ทั้งกายและใจครบ32บครับแสดงว่าต้องมีผู้มีบารมีระดับหนึ่งถึงจะเรียนรูน้นต้ได้ต้องครบ32ทุกอย่างเหตุปัจจัยทุกอย่าง32ท่านพระพุทธเจ้าท่านรวมมาไว้ตั้งแต่รูปธรรมทุกนามธรรมมัน32มนะเพราะฉะนั้นคนไปเอาเสิ่งที่ไม่จริงอีกอย่างนึงขึ้นมาเป็นอะไรอีกอันหนึ่งเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นภพขึ้นมา เรียกว่าสาามตาวติงส์เป็นเรื่องจิตสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาเองเป็นตัวเป็นตัวเป็นสัตว์โลกแล้วก็นึกว่ามันเป็นเรื่องสุขสุขมันเท็จคุณหลงว่าเป็นสุขนั่นแหละคุณเป็นสัตว์นรกแล้วเมื่อคุณมีสุขคุณเป็นสัตว์นรกแล้วคุณโง่แล้วเอาของไม่จริงมาเป็นจริงแล้วไอ้ตัวนี้ก็เหมือนอุปทานของเราสิครับใช่ เพราะว่าเุกทุกคนก็มีไม่ใช่อุปทานมันซ้อนอุดปรทานะยึดสิ่งที่จริงก็ได้ยึดสิ่งไม่จริงก็ได้ทั้งสองอย่างอ่าไอ้นี่มันกําลังยึดสิ่งไม่จริงสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองอเป็นตาวติงสะเป็นแดนสุขอันไม่มีจริงนี่คือตาวติงสะเป็นนามธรรมเมื่อเช้าได้ฟังหลวงปู่อิสระอธิบายว่าตาวติงสักคือเทวดาองค์ที่สาสาม เทวดาองคที่สาบสาเนี่ยคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาองค์ที่สาสก็จริงเหมือนกันก็จริงเป็นตัวตนบุคคลแต่แท้จริงเราฟังที่อาตมาอธิบายเตัวตนบุคคลไม่มีหรอกมันมีตนนามมารมจิตเจตสิกของเราเป็นจิตเจตสิกที่สามสิบสามดาววติงสาแล้วลงว่าสุขสุขมันไม่วีนี่แหละสวรรค์แดนสวรรค์ดาววติงสะดาวประเดนมันไม่วี ใครไปยึดหลงเข้าว่ามีปั๊บนั่นก็คือสัตว์นรกสัตว์อวิชาสัตว์โงงผิดปกติคุณเป็นปกติยังยังครับ <laughs> <laughs> ยังมัวืออยู่น้อย <laughs> เล็กๆก็แล้วแต่เนะาะไอหยาบๆได้แล้วก็เป็นหมดและหมดความเป็นสัตว์ชนิดนั้นแหละพวกเราหนี้เรียนลึกซึ้งนะฟังรู้เรื่องไหมใครไม่รู้เรื่องยกมืออย่าอายอย่าอาย ฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังไปเนี่ยยกมือโอ้โหนักเรียนในชั้นนี้ฉลาดรู้เรื่องทั้งนั้นเลยแม่หมวยเล็กไม่มาฟังจะได้เข้าใจมัง้งเนี่ยมันก็มีมาฟังไม่กี่คนนะเนาะแต่วันนี้ลงลึกมากเลยนะเอา้าต่อเพราะงั้นความเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอริยสัตว์เนี่ยจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีสุขหรอก เพราะไปยึดเข้าเมออไรเป็นทุกข์เลยพระพุทธเจ้าถึงบอกมาล้างเหตุทุกข์นี่มันหมดหมดแล้วทุกข์หมดเหตุนังทุกข์หมดสุขมันก็จะหมดไปแต่สุขนี่มันยังคลักขสรังอยู่กับความจําเยอะนานก็จะล้างความจําได้หมดว่าเออเราหมดหรื อ, อยังเนี่ยความจริงความจํานะี่มันซ้อนซ้อนซ้อนทีจริงจิตขาดแล้วมันก็ขาดได้ดับตัวอาสวะแล้วเขาสวะได้แต่มันยังจําล่าหนึ่ง พระพุทธเจ้าเลยยังเคยเปรย์กับพระ อ, อ, อนนท์เลยว่า อ, อนนท์ไอ้ที่นานช้ามากนะี่คือความจําเนี่ยนะแม้มันรู้และทําได้แล้วมันก็ยังมีความจําที่ร้อนเราอยู่เรื่อยๆแ ล, ล้วเผลอว่ามันเป็นความจริงเผลอเอาความจําเป็นความจริงความจําที่สุกเนี่มันอร่อยครับมันเพลินันเผลอครับพาคนที่ตัดได้แล้วถ้าไม่สุกแล้วล่ะท่านเฉยแล้วล่ะแต่มันยังจําสุกแวบ แล้ท่านก็จะรู้ตัววัดเลยว่าก็โถเโอ้ยมันไม่ใช่ความจริงมันความจําดยเฉพาะความเพราะ<อ>งั้นความจำกับความจริงสองตัวเนี่ยยากมากเลยที่จะแยกได้ชัดหนึ่งและจะล้างความจําให้หมดเป็นความจริงก็ยากอีกโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่ใช่สุขโลสุขโลกีมันก็ยังเห็นทุกข์ได้ง่ายแต่ว่าพอได้โลโุตระส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยครับมันอร่อยมันศูนย์ครับ ศูนยะ์นั่นคือคุณได้ศูนย์แล้วพอคุณรู้ตัวปั๊บมีสติรู้ตัวปั๊บมันก็ศูนย์ทันทีนั่นคือผู้ได้แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกตัวคุณก็เพ้อไปกับไอความจําพอรู้ตัวปั๊บอ่านี่คือสติที่เต็มพอสติขึ้นเต็มปั๊บไอที่ล้างได้แล้วมันจะหายเลยถ้ายัางล้างไม่ได้สติรู้ยังไงยังไงคุณก็ต้องรู้ว่ามันยังไม่หายครับมันยังไม่หมด มันยเพลินกับความ<ะ>ว่างสบายครอันนี้มันละเอียดขึ้นไปมากแล้วนะสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านสรุปว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมถือว่าบรรลุอรหัตผลต้องสัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายด้วยองค์ประชุมนอกและในเพราะคาว่ากายต้องมีข้างนอกและข้างในด้วยเสมอที่สุดแห่งที่สุดแล้วคุณจะตรวจ ซอนสัญญาซ้อนสภาพในภายในเป็นอรูปฌานเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องมนายตนะกฐามายตนะที่พูดกันสําหรับผู้ที่ในระดับสูงที่จะตรวจสอบอรูปฌานจนสิ้นซากสิ้นทุกสิ่งอย่างเลยจนอกิจจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญาญตนะค่อยพูดกันทีหลังตอนนี้ขอวักไว้ก่อนมาพูดเรื่อง กายที่สัมผัสทั้งนอกก่อนเพราะาเหลือแต่ในในใแล้วก็ในไปถึงขั้นรูปราคะถึงขั้นอรูปราคะและยังแถมยังเหลือเศสเซี่ยวของมณนะมานะเศษเสีเ่ยวของอุทธจักอีกโอยแค่พูดก็บมือแล้วนะคอยพูดกันะจะเป็นทุลีละ อ, องที่มันมีมภาษาคําพูดของวัตถุแล้วทุลีละ อ, องที่ไม่ใช่เรื่องของวัตถุนะ เรื่องของอารมณ์องค์อีกมาเลยนะอโศกับวิริชานิทุลีมองทุลีเริงนี่ค่อยว่ากันเพราะงั้นผัดสะเอาปัจจุบันนี้เถอะเรียนรู้ให้ได้ว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสอะไรพวกเนี้ยเมื่อมีจริงตายังมีจริงประสาทมีจริงหูเหมือนกันจมูกกลิ่นกายใจมีจริงกระทบจริงประสาททํางานจริงเกิดปัจจุบันนี้จริง อันนี้แหละเรียกว่าความจริงมันเป็นรสเป็นชาติเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรอยู่นี่จริงนะและแม้ว่ารู้ได้แม้กระทั่งนามมันทำันดับสูงขั้นทำให้ได้มันไม่มีตัวสุขไม่มีตัวทุกข์แม้ไม่มีในปัจจุบันที่มันเกิดอาการนั้นคุณอ่านออกเออมันทำว่างได้ คุณตั้งใจเจตนาเลยทําว่าโอ้มันม่มีตอนนี้ปับครู่หนึ่งก็ตามคุณก็เริ่มรู้แล้วเรียกความหมดถูกหมดโซนกะ็คือความไม่มีหรือศูนย์สุญญตาไม่มีในขณะใดที่ไม่มีนั่นแหละสุญญตาเป็นฐานนิพพานฐานที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์จึงเรียกว่าอุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์อทุกขมสุขเป็นฐานนิพพานเป็นอาการอารมณ์ของนิพพานต้องเห็นต้องมีต้องเป็น คุณจิตของคุณทําได้เป็นได้คุณต้องอ่านตัวเองออกว่าคุณได้คุณเป็นได้แล้วก็มียานปัญญาอา่านรู้เพราะบางทีบางคนทําได้แต่อ่านยังไม่ออกอ่านยังไม่เป็นเพราะว่าธ า, า, า, าตุละเอียดแห่งความฉลาดธาตุละเอียดนี่ก็จะมันยังไม่พออ่านอาการว่างอารมณ์ว่างนี่ตัวเองไม่ได้แต่คุณทําได้แล้วสายเจตัวนี้จะทำได้ก่อน สายปัญญานี่จะรู้ก่อนแล้วไปเป็นได้สายเจโตจะเป็นได้ก่อนแล้วค่อยๆอ่านรู้ทีหลังเจโตมิมุตได้ก่อนแล้วค่อยปัญญาวิมุตทีหลังส่วนปัญญาวิมุตเนี่ยจะปัญญาวิมุตก่อนรู้ก่อนแล้วไปเป็นได้เพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตจึงไม่ต้องมาสัมผัสด้วยกายอีกสัมผัสม่รู้กัเด็กกายอีกเพราะว่ามารู้เหตุผลรู้ด้ตรร ก, กะก่อนแล้วไปเป็นจริงที่จิต พอเป็นจริงที่จิตอ่ะตัวปัญญามันรู้อยู่แล้วอะ่ะรู้มาก่อนแล้วเป็นตะ ก, กัเป็นนี้เป็นพลมาพอจิตมันเป็นได้ก็อ๋อ oh. จึงเกิดกายสักขีองค์ประชุมที่ปรากฏหลักหลั ด, ลดสักขีคือเห็นอยู่หลัดัดเป็นอยู่จริงๆตรงๆตรงๆเลยเรียกว่าสักขี <c oughs> กายะก็คือมันเหตุปัจจัยครบอยู่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยมีทุกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอาการอารมณ์เพราะ แล้วเหตุผลวัสดุวัตถุว่าอาการอย่างนั้นนี่ก็รู้อยู่พ้นในวาสัญญานาสัญญาญตนะถ้ายิ่งตรวจสอบได้ว่ามันเดือนนิดเดือนน้อยนิดนึงน้อยหนึงมีไหมล่ะไม่มีแล้วอกิจจัญญายจะนะไม่มีแล้ววิญ ญ, ญาณใสสว่างแล้วนะมันสว่างมันว่างจริงจรอาคาซา จ, จริงๆแล้วสะอาดว่างจริงๆเลยถ้ารู้วิญ ญ, ญาณกพองไม่มีอะไรสะดุด นิดหน่ไม่มีอยากอันเนี้ยครับ <laughs> <laughs> แค่ฟังยังยากเลยแล้วคนจะ <c oughs> พูดนะมาเอาเรียบเรียงเป็นภาษามาพูดให้ฟังในคุณมันคุณรา ง, ง่ายไหมไม่ง่ายครับ <laughs> โอ้ลำบากนะยากฟังให้เข้าใจก็ยากระดับหนึ่งเข้าใจแล้วปฏิบัติก็ยากอีก ปฏิบัติได้แล้วมาพูดอีกยากครับนะใช่ครับเพราะงั้นโพธิสัตว์นี่ต้องเรียนรู้นินรุตติปฏิพานเรียนรู้เหตุปัจจัยเรียนรู้ปฏิพานความหมายและภาษานิรุตติ ด, ด้วยนะต้องค่อยๆเรียนรู้ด้วยนะแม้มีอัตทะมีธรรมะแล้วมีสิ่งจริงนั้นแล้วมีพจนานั้นแล้วถและมีทุกอย่างเหตุปัจจัยครบแล้วว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างและมีอัตทนั้นแล้ว คุณก็จะต้องมาเรียนรู้นิรุตติปฏิพานความเฉลียวฉลาดไวพ้พิบที่จะสื่อด้วยวรรณยัติภาษานิรุตติมาให้คนอื่นเขารับรู้ได้ด้วยครั บ, บมันต้องมาย้อนทวนศึกษาเพราะงั้นโพธิสัตว์จะต้องอย่างเงียแต่ต้องทําอัตตะธรรมะให้ได้ก่อนและถึงจะมีเปิดเตมิมถ้าเราไปเรียนนิรุตติภาษาปฏิพานเข้าใจก่อนก็ได้แต่คุณต้องรู้ว่ายังไม่เกิดอุปโภภาณฑ คุณยัเป็นไม่ได้จิตจริงคุณต้องเป็นได้แล้วก็รู้ความเป็นได้แล้วจริงคุณจะต้องรู้ว่าอ่าอันนี้ครบอุปโตภาพจริงเลยว่าครบความจริง <Okay. S 1> นะความจริงต้องมีครบสองอย่างอย่างนั้ น, นทีนี้ก็เจ็ดเข้าถึงความจริงนั้นหรือตอนเองเป็นได้ตามความรู้นั้ น, น, นแล้วอย่างเต็มใจนะเต็มใจก็หมายความว่าแม้คําไทยว่าเต็มใจเนี่ยใจมันรู้ครบมันเต็มนัม้นรู้ครบ นั้วกพ็พอใจดีใจพอใจครบใจเต็มทุกอย่างแม้จะยังไม่สมบูรณ์ได้ประตามลำดับก็เป็นไปนตามลำดับเออได้จริงโอ้โหดีแต่ว่ามันยังไม่ครบคุณจะรู้เรว่าสัจจิตตะสัจุตรจิตสัจุตรจิต <c oughs> จิตที่ดีดีก็รู้ว่าโอ้โหดีแต่จิตยังรู้ว่ามันดีกว่านี้ยังมีอีกยังไม่จบสัจุตรจิตตังสัจุตรังจิตตัง รู้ว่าดีแต่มันยังรู้ว่าเออมันดีแต่มันยังน่ะยังยังไม่จบยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะเป็นอนุตรังจิตตังจนกว่าจะครบสมบูรณ์ไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วพเพราะฉะนั้นพูดที่ไม่ประมาทก็จะต้องไม่รีบจบง่ายๆจะต้องทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกจนกระทั่งมั่นใจว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ ไม่กระดิกเลยเพราะยันเหตุปัจจัยอดีตและอนาคตที่ว่านต้องทำปัจจุบันนี่แหละให้มันสังสมเป็นอนดีตอดีตอดีตอดีอดจกระทั่งว่าไปไหนไม่รอดอนาคตต้องซุดแน่แน่ผ่านปัจจุบันแรงเท่าไรมากเท่าไรหนักเท่าไรเท่ากิโลกมันมีเพราะว่ามหาโพธิสัตว์นี่จะตรวจสอบตรงนี้หมดเลยจนกระทั่ง ห่างที่มึกตีอธิบายแล้วว่าโอ้โหเลยขีดนี้ไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์หรอกของพระเจ้าเนี่ยสั่งสมวอร์ไม่ใช่บั ฟ, ฟเฟอร์แข็งก่งไม่ใช่ที่ขัน้นกันไว้สำหรับยืดห ย, ยุ่นไม่ยูนไม่ยืนนะแข็งเป๊กเลยไปอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไล่ไม่ทัน แสดงว่าพูดได้จริงเนี่ยจะต้องทําซ้ําจนอภัยซึ่งผมรู้ตัวว่าเรายังไม่อยู่ในเขตนี้เลยครับเราไม่ใช่ถ่มตนพูดจริงไม่ได้อยู่เขตนี้เรายังไม่มีภพแต่มีควา ม, มารู้เรามาทำถึงขัน้นนี้แต่รู้แล้วนําแล้วรู้แล้วนำแล้วต้องทําให้ได้อย่างนี้ครับรู้แน่นาคดผมเป็นมหาบริษัทเมื่อไหร่เจอกันเราจะบอกครับผมเป็นอะไรไม่รู้ตอนนั้นอ่านะทีนี้ถึงสัพพัญญุตยานแล้วท็นี้ก็มาประกาศาศาสนาก็อีกเรื่องนึงครับ ตอนนั้นผมมีบุญบารมีก็คงได้เจอแน่นอนครับเอานาะทําบุญร่วมกันกาจัดกิเลสร่วมกันไปเรื่อยๆนี่ย่อมไปไปได้กันแน่แต่ทํากุศลขอแวะนิดหนึ่ ง, งมีปฏิภาณนึกได้ทํากุศลรร่วมกันเนี่ยไม่แน่จะมาอยู่ร่วมกันหรือไม่ยากเพราะมันกว้างมันยากมันเยอะกุศลเนี่ยครับจะได้มาอยู่แต่บุญนี่นะจะมาร่วมกันง่ายครับ เพราะต่างคนต่างตัดกิเลสและกิเลสเนี่ยมันจะเหมือนกันกิเลสกระบายกิเลสกลามกิเลสใดของโลกมันจะเหมือนกันสุดท้ายจริงๆมันจะตัวกิเลสกลามก็มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาในโลกนี่เหมือนกันอย่างประเทศไทยปรุงแต่งแบบนี้นะปรุงแต่งแบบนี้อย่างอินเดียเนี่ยอธิบายตัวอย่างให้ฟังนิดนึงในอินเดียกับไทยนี่นะ อินเดียมีอุปทานยึดติดว่าไอ์กิฬาเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมันเป็นสิ่งดีมากมันเป็นสิ่งเลิศเลอเขายึดถือเขานับถืออินเดียนี่ยเขานับถือน้อยกว่าไทยใช่ครับไทยหลงมากกว่าอินเดียเพราะฉะนั้นไทยจึงจะไม่มีบาปอันนี้มากจะไม่มีกิเลสอันนี้มากจะไม่ต้องทําบุญหรือชําระกิเลสอันนี้ได้มากเท่ากับไทยไทยจะจําระมากกว่าเพราะมันมันเป็นยึดติดมากกว่า ยิ่งเป็นต่างชาติที่มันงมงายกับไอรสชาติของไอกิเลสกีฬาเนี่ยมันก็ยิ่งจะจัดจ้านกว่าไทยกําลังจะแข่งแทบเป็นยึดติดให้เท่าเทียมเขากําลังจะโง่หนักโง่หน า, า, าเข้าไปอย่ตอนนี้ไปเอาไ อ, ไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอการละเล่นรสชาติของกีฬาครับประเทศอยากประเทศไปเอาอย่างเขาครับไปเอาอย่างอุปทานไปอุปทานนั้นมานะ เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของความจริงตามความรู้อย่างเต็มใจได้สมบูรณ์ถ้ายิ่งสมบูรณ์ถึงขั้นชนิดสิ้นกิเลสอาสะวะก็ยิ่งจริงแท้นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะรู้เองว่าอันนี้มันถึงขั้นอาสะวะของเราหรื อ, อยังจิตเลือส่วนน้อยส่วนเล็กส่วนละเอียดส่วนปลายจริงๆเนี่ยคุณจะบอกคุณของใครของมันไม่มีใครรู้ได้ปัจจตังนะ คำนวณผิดเอาหยับหยาบม า, าเป็นอาสวะก็เรื่องของความพลาดของคุณผิดของคุณถ้าคนจริงก็ไม่ประมาทเอ้ยมันยิงหยาบอยู่เรียกอาสวะยังไม่ได้ก็ไหวป่าไปของใครของมันแปดเป็นเรื่องที่ผู้ฉลาดหรือปราดจำนวนต่อเหตุผลต่อความจริงที่เป็นที่มีนั่นเพราะนั่นผู้ที่ฉลาดจริงมีความรู้จริงๆเรื่องแม้แต่ประมัดเข้าใจจริงๆเลยมีทั้งความรู้เหตุผลประทั้งตรกะ มีทั้งความรู้มีฐานความจริงที่พอรู้ได้ชัดขึ้นมาเรื่อยๆืๆจะจํานวนต่อความจริงตรงกันเท่าไหร่ก็ยิ่งจานวนมากเท่านั้นทาให้จํานวนมันก็จะยอมรับไปตามขั้นตอนนะข้อก้ามันไม่เป็นอื่นอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นมัน่นคงยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแล้วเป็นเลยย่อ ม, มาจากนิจจังตัวบางสัตตังภิปริณามะธรรมังสังหิรังสังคุปปัง ไม่เป็นอื่นอีกแล้วเป็นได้อยังงนันเป็นอสังหีังอะไรจะมาทําลายอีกพลังงานในมหาจักรวาลนี้จะมีพลังงานขนาดไหนมาทําลายอีกก็ทําลายไม่ได้พลังงานไหนก็มาทําลายความมั่นคงแข็งแรงได้แล้วเด็ดขาดอันนี้ไม่ได้พลังงานอะไรก็มาทําลายไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแล้วเป็นเลยไม่กลับกลอกไม่อสังคุปปังไม่ ไม่เปลี่ยนอีกเลยก็อสสิ่งที่เป็นนี่แล้วเป็นเอหิปัสิโกได้แล้วมันเป็นของจริงที่ไม่เกิดไม่เกินไม่อายไม่เนียมแล้ก็ไม่หามไม่อวดไม่ท่าไม่ทายเชิญมาดูได้เชิญพูดนี่ไม่ใช่คาท่าทายแต่แปลให้มันเป็นภาษามือนคาท่าทายท้ายมาดูได้นั่นเป็นภาษาโวหารจะใจไม่มีอาการทาย ใจก็จริงๆจะเชิญก็มาเชิญเชิญจะเชิญได้มาดูมอะไรก็ได้ของจริงเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้เขินไม่ได้เก้อไม่ได้กลัวไม่ได้อยากไม่อยากมาดูมาดูถ้าจะบอกว่าดีไหมก็มีปฏิพารรู้ว่าก็มาดีสมาดูของดีแต่ไปย่งไล่เสียเงินเสียทองวิ่งดูในของไม่ดีไอ้ของดีให้มาดูดูฟรีก็ไปมา มันเข้าใจยากะไงะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งครับเรื่องของจิตใจอ่ะมันไม่เห็นด้วยเห็นดีอะไรเลยมันจะมาดูทำไมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรืองคมอรอ่อเพราะฉะนั้นพุทธิจ้ามัเห็นด้วยเห็นดีผมถึงบอกว่าผมไม่เอาร่อผมไม่ล่อไม่ไม่อะไรหรอกไม่ร่อไม่เรียกร้องหรอกให้คนมีปฏิภาณเองของเขาว่าเออเนี่ยของดีเนี่ว่าอันนั้นง่ายอันนั้นคนนั้นเขาจะมีปัจจุบันมีความจริงเขา้ามาเราก็ได้คนที่ สะดวกหน่อยไม่งั้นผมอะไรก็เอาขี้หมูขี้หมาคนไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นหลอกเข้ามาโอ้ยเสียเวลาปเปล่าผมว่าถ้าเป็นหลอกมาเนี่ยมันจะผิดทัจนะทันทีหลอกมานั่นแหละคนโง่งไงเพราะฉะนั้นลงหลอกมาเอานี่มาล่ อ, อนี่มาโหโดยหลงปริมาณหลงมวลมากเยอะแยะเยอะแยะนะก็เอาปริมาณนี่ไปขู่คนอื่นเขาไปอ้างหรือเขาหรือไม่ก็เอาคนปริมาณมากๆานี่มาล่วงตับกินไส้เขาเท่านั้นแหละ คนที่ทำเหมือนั้นส่วนคนที่ไม่ต้องการล่วงตับกินไส้แล้วจะมาทำไม้มากๆมันหนักนอกจากหนักแล้วมันก็ทำให้เราทำงานไม่ได้เต็มที่เพราะนั้นคนเรานี้ยจะไม่เรียกร้องจะไม่เชอิอเชิญจะไม่โปรยปลายหลอกล่อให้มาจะมีสิ่งที่เสนอออกไปเป็นเรื่องคัดคัดสรรคนนี้ต้องมีปฏิภาณขนาดนี้จึงจะเอามาได้ต้องมีไว้พริบต้องมีความฉลาด จริงขนาดนี้จึงเข้ามาได้จึงจะรู้ว่าโอ้ดีจริงคนนี้ก็จะได้คนเนื้อเนื้อแก่นแก่นแท้ๆใครๆเอาแต่เปลือกเปลือกมารวงคนก็จะได้คนลงลวงผิวๆมันเพลิๆมาเรื่อยๆยิ่งรวงมากก็ยิ่งในคนโง่ามากโง่ามากโง่ามากแล้วคุณก็ลงปริมาณอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับภูมิธรรมของผู้ที่เป็นผู้นำแน่นอนของคนตัวเหตุตัวปัจจัยจะหลอกจะลอ่อจะโปรยปลายเข้าเองนั่นแหละ <What? S 2> คนไหนก็หลงมากจะเอาแต่ปริมาณมากคนนั้นบอกได้เลยว่าเป็นคนโง่ ค, คนหลงแต่ปริมาณมากเนี่ยฟังไม่ง่ายๆแล้วก็จะกอบโคอยมากๆอย่างเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าคนนี้โง่ตั้งแต่เบื้องตน้นเพราะฉะนนคนที่ไม่มีเลยศูนนี่เป็นคนฉลาดที่สุดแล้ว <laughs> คนจะเข้าใจว่าศูนย์นี่เปิงทีฉลาดนี่ก็ต้องมีปัญญาอยู่ยางมากครั บ, รบไม่งั้นไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาละครับเพราะงั้นขั้นสุดท้ายท้าทายมาพิสูจน์ได้นี่ก็ไม่ได้ทา้าทายใช้วหาร่าท้าทายแต่ความจริงแล้วแม้แต่เชื่อเชิญก็พูดน้อยไม่ก็เชื่อเชิญอันนี้บอก<ม>บุญผมมีประเด็นหนึ่งอยากจะถามครับคือที่ว่าครูบอกว่า เราเนี่ยลดกิเลสไปแน่มันคือเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครมาทำลายได้ผมถามว่าเราทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสั่งสมมากขึ้นจนเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตอย่างนั้นมันทำให้เป็นรูปธรรมซ้อนกับจิตวิญญาณโดยที่ไม่มีใครทำลายด้วยหรือเปล่าครับมันเป็นสะสมสิ่งที่เป็นรูปนี่เป็นของสะสมเป็นเป็นตัวตนเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นผลึก แล้ก็พันนึกเข้าพันนึกเขาผันึกเาควบแน่นเข้าควบแน่นเข้าเป็นานามธรรมามันก็มีลักษณะนี้แต่นามธรรมาของผู้ที่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านรู้ว่าพันนึกไว้เท่านั้นแหละพนึกไว้เท่านั้นแหล ะ, เ, หละเป็นเครื่องอาศัยไม่ได้พันนึกแน่นได้แต่ไม่แน่นนี่เป็นบูหานเป็นภาษาแล้วความจริงแล้ว ท่านไม่ได้ยึดมันถึอมั่นโดยสํานวนเนี่ยไม่ยึดมันถึอมัน่นคือท่านผนึกแต่ไม่ไม่ติดอันนั้นเป็นพรางจิตของท่านไงเป็นสัจจะของท่านที่เป็นสภาวะที่ท่านทําได้ครับแต่ว่าหมายความว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยรูปธรรมอย่างพ่อครูเป็นบริษัท ร, รูปธรรมก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาวะจิตที่พ่อครูได้สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นได้ความผนึกได้อย่างหนา แข็งแรงนั่นแต่ไม่แน่นแต่ไม่หนาจะเปลี่ยนไม่ให้มันอยู่เลยปึ๊ดก็หายไปเลยความแน่นก็ไม่ดูดความหนาก็ไม่หมดไม่มีเลยความหนาก็ไปหมดเลยหรือหนาเนื้อมีอะไรไหายหมดนั่นปรินิพานใช่สิ่งที่ได้สูงสุดได้สูงสุดเป็นเช่นนั้น ซึ่งเป็นภาษาที่พูดได้และต้องทําให้ได้อย่างนั้นจึงเรียกว่าความจริงบางที่พูดไปนี่มันเป็นความรู้ฟังเป็นความรู้และไปทําให้ได้จริงและคุณจะรู้เองว่าจริงมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ถึงขั้นมีสัจจานุโลมิกรยานมีความรู้ความเข้าใจที่จะอนุโลมปรุงแต่งกับคนอื่นเช่น อรหันจีโกงออกินเหล้ากับเขาแล้วก็เมาไปกับเขาเมาออไปสนุกสนานกับเขาความจริงแล้วท่านไม่ได้เมารลกแกงเมา เ, ออเมาดิบเมาไปกับเขาไปออถ่านไม่ได้ซับซ่าไปไดู ด, ดวความเมานั้นมาเป็นสุขเป็นชอบใจพอใจเลย ดีไม่ดีถ้าเพราะว่าท่านเองท่านไม่มีสังขารุปเปฆายานที่แข็งแรงจริงๆเลยนะท่านจะรู้สึกลําบากลําบากลําบากทนทนมันเป็นทุกข์นะแต่อนุโลมเพื่อเขาช่วยเขาจําเป็นต้องทําแล้วเขาทำแต่ถ้าเผื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนไม่ยากทนไม่ลําบาก เป็นการทนได้ไม่ยากทนได้ไม่ลำบากอันนี้จะเป็นลักษณะของไม่ลำบากเพราะฉะนั้นผู้ที่ปริประมาณพระโพธิสัตว์ที่จะประมาณอนุรวมเขานี่ประมาณทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเพราะงั้นเมื่อไม่ยากไม่ลำบากทนได้ตัวเองก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ยากตัวเองก็สลัดออกข้อง่ายแต่ก็เหนื่อยนะครับหย เพราะว่าผู้ที่เหนื่อยอยู่แล้วผู้ทสั่นนี่<พ>นไม่เหนื่อยแล้วห<ช>มามาเป็นมังเหอะคือผู้ที่มันพ้นไปแล้วเนี่ยมาปรุงสิ่งที่มาช่วยคนอื่นเนี่ยมันเรือเหนื่อยแล้วก็ยอมเสียหน้าเสียตาตัวอเองครับเพราะว่าโดยรูปภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยคนก็ะจะตาหนิตีเตียนได้แต่ว่าท่านทำเพื่อจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือคนอื่นถูกต้อง าตรงนี้ก็พอเข้าใจแล้วทีนี้มาอธิบายขยายความคำว่า ก, กายดีกว่าความจริงไม่ใช่แค่ความรู้ของคำว่า ก, กายมาขยายความตรงนี้กายคือองค์รวมองค์ประชุมของทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประชุมของข้างนอกอนี่เป็นธาตุอุตุนิยามเลย ยกตัวอย่างขวดเนี่ยเป็นธาตุอุตุนิยามเป็นโลวไม่เป็นแม่เป็นโลหะเป็นวัตถุเป็นวัตถุเ ป, ตถเป็นดินธาตุวัตถุขวดเพราะสิ่งนี้นี่มันไม่มีธาตุรู้เลยไม่รู้อะไรเลยมันไม่มีธาตุมีแต่พลังงานดูดซับสลายดูเท่านั้นนะ่ะเป็นอุตุนิยามแท้ๆแล้วก็ เอาตัวสสารเขามารวมกันแล้วก็เกาะแน่นติดตามสภาพก็มันเกาะกันได้มันก็เป็นอุตตุ100ร้อยเปอร์เซ็นต์พลังงานดูตัวเองที่เป็นวัตถุตัวนั้นไม่มีความรู้สึกไม่มีความกำหนดรู้อะไรเลยต่อมาฟักครัดลูกสีจะจับใหญ่ๆหน่อย ต่อมาเป็นพืชมันมีพลังงานสัญญากับสังขารมันไม่มีเวทนาไม่มีอารมณ์ไม่มีวิญญาณในนามห้าเนี่ยเอ้ยขอไปนามสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือธาตุที่กําหนดรู้อะไรอะไรอันนี้มันมีพีชานี่มันมีธาตวิญญาณมันมีธาตุสัญญากําหนดรู้ว่าธาตุนี้คืออันนี้ธาตุนี้มันมีอัตราตัวมันเองแต่อัตราระดับนี้เราไม่เรียกว่าเป็นสัต เป็นพีชามันเอาอันนี้เอาธาตุนี้เอาธาตุนี้ไม่ใช่ธาตุนี้ไม่ไม่ใช่ธาตุนี้เอาธาตุาานี้ไม่เอาธาตุนี้ไม่เอามันก็ไม่อยู่แค่นั้นในผลกระกดโดูอันนี้เอามันนี้ไม่เอาไม่มีอารมณ์และก็เอามาปรุงกันในสังขารปรุงกันเป็นอย่างนี้ครับปรุงกันเป็นอย่างนี้มันก็มีธาตุพลังงานโดยอัตโนมัติของมันเองนะตระ ก, กูลนี้พันนี้ มันก็กําหนดของมันมะเฟืองมันก็มีทาสัญญาของมันว่าตะกูลมะเฟืองมันก็ดูดอันนี้ผลักอันนี้ฟักข้าวมันก็ดูดอันนี้ผลักอันนี้มันไม่ใช่มันไม่เอามันใช่มันเอาเท่าไหรดมีสัญญาากํนดกับรุงให้เป็นอันนี้เท่านัองไม่มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ไม่มีจองเวรจองภัยอะไรได้ก็เอาไม่ได้แล้วไป เท่านั้นเอง <Okay. S 1> ไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงอะไรมีแต่พลังงานทางฟิสิกส์ที่มันอย่างนี้ดูดอย่างนี้ผลัก <Okay. S 1> พลังงานทางฟิสิกส์ของอนุตัที่ขึ้นมาโดยตัวมันเองเลยว่าอัตตามันกำหนดของมันมันมีท่าตัวสัญญามันมีท่าตัวสังขารของมันเองแล้วมาทํางานอย่างนั้นโดยอัตโนมัติจึงเรียกว่าผีชะ พีชาก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นพืชนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขพูดไม่มีบาเบาทไม่มีรักไม่มีชอบจึงไม่มีเวรมีภัยอะไรกับใครเพราะฉะนั้นเราจะกินเราจะฆ่าเราจะอะไมันไม่มีบาปมันไม่มีเวรมีภัยมันไม่มีจองเวรไปอีชาตโน้นทา์มันไม่มีเพราะคนไม่รู้มันก็ชีว่าฆ่าพืชก็บาปก็พูดไปคนที่มันมีความรู้พอเขาก็ว่าไปคือชีว่าก็พูดชีว่าน่ะถูก ชีว่ามันมีขั้นตอนของพีชะนิยามแต่คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจถึงเรื่องพลังงานในระดับพีชะมันแค่ไหนเพราะแจกเป็นพยัญชนะว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณเข้าใจภาษานี่ไหมล่ะอย่างพวกเรานี่เข้าใจภาษานี้ก็ชัดเจนเลยอ๋อมีแต่สัญญากับสังขารเข้าใจมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมันไม่วิญญาณมันไม่เป็นธาตุที่จะจองเวรจองภัยรวมเวทนาสัญญาสังขารนี่มันเป็นวิญญาณเป็นธาตุรวมหมดเลยมันไม่มี ยังไม่เกิดขั้นนั้นอันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นองค์ประชุมของธาตุระดับอุตตุก็คือองค์ประชุมของรูปประธรรมดินน้ำไฟลมมหาภูต ร, รูปที่ดูดกันแท้ๆเหมือนอย่างเ น, น้เนี่ยทรายเป็นทรายเป็นดินแล้วเขาก็มาสังเคราะห์เป็นแก้วเป็นทรายเป็นดินมาสังเคราะห์กันเป็นแก้วครับ แก้วนี้มาจากซ้ายสังเคราะห์ออกมาโดยธาตุสารเคมีอื่นปั๊บก็ออกมาผสมกันก็เป็นแก้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันไม่มีไอธาตุนา ม, มาทำอะไรอยู่ในนี้เลยแม้แต่แค่ชีวะระดับสัญญามันก็ทำว่ามมันเองไม่เป็นกราสังขารมันผลักตัวเองไม่เป็นมันดูตัวเองไม่เป็นมันเป็นโดยธรรมชาติ ที่มันจะเกิดมาผนึกกันมาเคาะกันมาสังเคราะห์กันมาอะไรกันโดยธรรมชาติมันเข้ามาใกล้กันแล้วมันก็มาแต้มมันก็มาอะไรมันก็ทำงานเข้ามาไปโดยมันไม่มีไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะงอกเองแล้วมันก็จะไปดูดเองแล้วมันก็จะมีพลังงานที่มีลาสีรังสีรังนูดมีพลังงานอย่างไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่เพิ่มเริ่มขึ้นจะไปเป็นพีชัดดูดผลักหล็กดูด แมอธิบายมันก็ยากเหมือนกันเนาะอธิบายไปเชิญไปหาวิทยาศาสตร์บ้างไปเสกบ้างมันจะยากกันอละพันนะคำว่าคําว่ากายอีกทีนะมันยากมากเลยคําว่ากายเนี่ยที่เข้าใจคําว่ากายไม่ได้ทุกวันนี้จึงไม่มีอรหันในศาสนาพุทธแล้วขออาไปที่อาตมาพูดเช่นนั้นอาตมาอยากเจอโพธิสัตว์ที่มันพูดกันรู้เรื่องกับอาตมาหน้า แต่โพลิสัตย์ที่พูดกับอาตมายังไม่รู้เรื่องก็มีเยอะเป็นโพลิสัตย์เหมือนกันระดับต่างๆต่างๆต่างมากนะแต่ยังรู้พูดกับอาตมาที่ลึกเข้าไปถึงขนาดอย่งเราทาพูดอย่างนี้เป็นตน้นว่ากายเนี่ยใครจะมาโพลิสัตย์ที่พูดเรื่องกายโอ้เข้าใจเลยเท่ากับอาตมาหรือมากกว่าอาตมาโอ้โหอธิบายให้อาตมาเพิ่มเติมไดอีกเลยโอ้โหเจ้า ออกมาอยากเจอเย่างได้แสดงว่าเป็นโพธิสัต์นี่ก็ไม่สามารถอธิบายตามขั้นตอนลึกซึงก้งไม่เท่ากันกิตัวเองมีไม่ได้โอครับแม่ถ้าได้ก็เสแสร้งเป็นพระพุทธเจ้าซะเลยครับหน่อยถ้าได้ก็อธิบายอั น, นั้นออกมาเลยสิก็มันไม่ได้อ่ะนะเพราะงั้นในคําว่าองค์ประชุมเนี่ยนะมันจึงองค์ประชุมของสิ่งที่เป็นอุตตุ แม้แต่พีชะด้วยอุตุนี้รวมหมดเลยเป็นสสารทั้งหมดเลยสสารทั้งหมดเลยตั้งแต่ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้ า, ฟาทุกอย่างหมดเลยดินน้ำไฟลมหมดเลยทุกอย่างเนี่ยจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยรวมตัวเข้ามาเป็นระดับสองเป็นพีชะเป็นระดับ ตาของมันขนาดหนึ่งอัตโนมัติยังไม่ถึงการเรียกว่าอัตตามันเป็นอัตโนมัติขนาดหนึ่งอันนี้ผลักอันนี้ดูดมันก็เอาแค่นั้นไม่มีอารมณ์ไม่มีวิญญาณไม่มีการจองเวีจองภัยอะไรก็ใครทําแต่ตัวเองไอนี่มีแต่ตัวเองอย่างเดียวตระกูลของเขาพันของเขาเท่านั้นอันอื่นเขาไม่รับรู้ hmm. จนกระทั่งพัฒนาขึ้นไปเป็นสัตว์ เริ่มต้นละเริ่มต้นที่จะมีตัวเวทนาเริ่มต้นจะมีตัววิญญาณจึงเรียกว่าเป็นเป็นธาตุรู้อุปาทินกะสังขารสังขารที่มีกรรมเริ่มมีกรรมมีวิบากเริ่ม ม, ม, มีความรักความชังนะเริ่มมีสุขเริ่มมีทุกข์มีวิญญาณ มีวิญญาณสุขทุกข์รักชังนะพยาบาทหรือดูดดึงวิญญาณเริ่มแห้เดิมมีแล้วน้อยเซลลเดี่ยวเป็นต้นมันก็ น, น้อยมากเลยสองเซนร้อยเซนพันเซนล้านเซนขึ้นมาตามลำดับและในคุณนี่ไม่รู้กี่ล้านๆๆเนล้านเซลใช่ไหมมันก็มากันซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆๆสังสมขึ้นมา สิ่งพวกนี้จึงเรียกว่ากายองประชุมองประชุมเพราะฉะนั้นเรียกว่ารู ป, ปกายที่นี้ขยายคำว่ารู ป, ปกายกับนามกายรู ป, ปกายคือยังเกี่ยวเกาะสัมพันธ์กันอยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นดินนม้มไฟลมอุดุนิยามทั้งหลายผีชะนิยามทั้งหลายข้างนอกเกี่ยวเกาะร่วมอยู่ด้วย เรียกว่ารูปประกายขาดน้าไม่ได้นะกายเนี่ยขาดน้าไม่ได้เงื่อนไขนี้จำไม่ชัดเจาะคำว่ากายขาดน้าไม่ได้ขาดน้มไปเมื่อใดไม่มีความเป็นกายเช่นเล็บเราเนี่ยมันยาวออกมาขาดจากประสาทหรือประสาทเนี่ยไม่รับรู้ด้วย ส่วนที่คือเลยออกมาจากประสาทที่รับรู้ด้วยนี่เล็บก็ตามผมก็ตามขนก็ตามผิวหนังก็ตามถ้ามันหนาขึ้นมาเลยประสาทรับรู้มไม่ได้แล้วสิ่งนั้นไม่ใช่กายแต่ผิวหนังนี่ดูมันเนียนไปกับแผ่นก็ได้พูดกันแยกยากแต่คนเข้าใจ ม, มันก็ไม่ยากอะไรแต่คนนี่มันโดมาเห็นยาวมานี่มันไม่รับแล้วประสาทมันไม่ไตามขนขึ้นมา ผมม่อยิ่งยาวใหญ่เลยยิงไม่ตามใหญ่เลย <Okay. S 2> ฟันก็อยู่ภายนอกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่กายเพราะมันมันเป็นอุตจุมันเป็นดินน้ำไฟลมเกาะกันอยู่เท่านั้นรวมกันอยู่เท่านั้นพันตัวประสาทมันยังไม่เกี่ยว <'s> ถ้าประสาทเข้าไปเกี่ยวเมื่อใดเ ป, เป็นกายเป็นกายเมื่อนั้น เพราะจะได้ปราษาทรูปห้าจากตาหูจมูกลิ้นกายแม่มีตาแต่ไม่มีประสาทเข้าไปทำงานดว้วยว่าไม่นีไม่มีกาย <c oughs> เข้าใจขึ้นเยอะนะเพราะคาว่ากายภาษาไทยมันกลับกันเลยมาหมายถึงสิ่งที่ไม่มีประสาทรู้คือกายอเจ้งสิเพราะความจริงแล้วถ้าไม่มีประสาทรู้เลยนี่ไม่ใช่ความเป็นกาย แต่มาเป็นภาษาไทยต้มไม่มีประสาทรู้จึงเกิดเร่างกายอ้าวแล้วกันคือไม่มีประสาทรู้ก็ไปศพ อ, อ่าีประสาทแต่มันไม่ทำงานแล้วในร่างกายยังมีประสาทที่เป็นรูปวัตถุแต่ว่านามาทาไม่ได้เข้าไปร่วมทำงานด้วยเมื่อนามาทาไม่เข้าไปร่วมทำงานด้วยสิ่งนั้นไม่ใช่กายเนี่ยเล็บเหมือนกันผมขนเหมือนกัน หนังเหมือนกันประสาทมน้ม น, น, นั่นแหละมนุษย์พืชอนี่คือพลังงานอยู่ข้างในมนุษย์พืชนี่คือมนุษย์ที่ยังไม่ยอมปล่อยตัวเองถ้ายอมปล่อยตัวเองก็ไม่ยอมมันก็ตายหมดพลังงานไปเลยไ ม, ไม่เหลือนี่มันยืดยืดอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ไปหลงติดอัตตาจนกระทั่งตายแล้วก็ยังไม่ยอมเน่า ตายแล้วเล็บ ก, ก็ยังงอกตายแล้วขนก็นยังงอกผมก็ยังงอกอะไรอยู่โอมเมียรนั่นคือมนุษย์ยึดมั่นถือมั่นในพลังงานที่ไม่ยอมปล่อยแม้ตายแล้วร่างกายควรปล่อยแล้วตามสามันของคนสามันของสัตว์โลกสามันค่าเฉลี่ยของการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยของคนสามันในพลังงานขนาดนี้ไม่ยอมรับต่อแล้วไม่ปรุงต่อแล้วตายเพราะปรุงยังไงก็ไม่ขึ้นอีกแล้วยิ่งกว่ามนุษย์พืชแต่มนุษย์พืชมันไม่ยอมปล่อย มันจึงเป็นสัตว์นรกที่ติดยึดหนักแม่นอุปทานหนักโง่หนักเพราะฉะนั้นคนไปเคารพกราบไหว้ศพที่มันยังผิวหนังไม่เนา่าและขนยังยาวรบยังยาวอยู่คนไปกราบสัตว์นรกที่เป็นตัวยึดติดอย่างหนักมากขึ้นก็เลยโง่ไปด้วยกันทั้งคู่แบบนี้พระเจ้าก็เลยให้ต้องเผาไปเลยเออใช่เพราะไม่มันผูกพันกับร่างกายนี้ครับเน่าของพุทธเจ้าเน่าทำไมยึดเหมือนอย่างนั้น ครับนัก็ให้ตัดลอกไปเลยให้เผาไปเลยใช่ครับไม่เกินเจ็วันเป็ดเจ็ดวันนี่ไหวไม่ไหวแล้วมันจะเน่าไปตามลำดับเพราะวิญญาณจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวในเรืนี้ใช่ครับมันกลับกันเลยความคิดเห็นนึกว่ามันวิเศษมัเนึกว่ามันวิเศษนึกว่ามันเยี่ยมยอดโดยความหลงผิดไปยึดเอาสิ่งที่เป็นนรกเป็นสัตว ที่ติดยึดอุปทานติดยึดหนักก็ไมใหญ่ยึดอย่างที่เราบังโง่ไม่รู้ไปมยึดทำไมสามัญปกติตำธรรมดาสัตว์โลกขนาดนี้เขายอมตายแล้วเขาทิ้งหมดแล้วไม่ยึดแล้วออกไปแล้วไปหาพลังงานอื่นแล้วอัตภาพเลิกทิ้งเลยปล่อยเน่าไม่เอาไปของตนนี่มันยังยึดเป็นตนอยู่ขนาดมัน ยังอยู่ในร่างน่ยยังไม่ไปอ่ะพลังงานนั้นอ่ะก็เพราะว่าในภาวะปัจจุบันที่ตัวเองยังอยู่เนี่ยได้รับดรอสเสอเซิร์นหลงในสิ่งเหล่านี้ป่าครับจึงไม่ปลอมมันไม่มีแล้วแต่มันอยู่ในสัญญามันนึกว่าตัวเองยังอยู่มันโง่มันหลงว่าตัวเองยังมีอยู่อยู่อยู่อยู่อยู่มันไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาอย่างชัดเจนอย่างที่ว่าเนี่ยเรียนข้างนอกกลามาพบก่อนแล้วรูปประพบหรือว่ารูปราคมันก็จะออกมาอ่า ซับคอนเชียสก็ออกมาเป็นคอนเชียสจนกระทั่งเลื่อนอันคอนเชียสมันเป็นซับคอนเชียสพอซับคอนเชียสหมดกิเลสจิตใต้สํานึกหมดกิเลสไปแล้วจิตไร้สํานึกก็ขึ้นไปเป็นจิตสํานึกอีกแทนจิตใต้สํานึกเป็นจังๆนี้พระพุทธเจา้าท่านเอากระแทกกระทุ่งขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มันล้างไทีละขั้นทีละขั้นนี่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตัวเองสัญญาไว้ว่าตัวเอง อยู่กับร่างกายนี้ตลอดไม่เลยเรียนรู้เลยกดข่มแล้วก็ดึกไปแล้วก็หลงยึดหลงติดหลงยึดหลงติดยิ่งยึดยิ่งติดมากนั่นแหละยิ่งเป็นสัตว์นรกที่โง่หนักเข้าไปอีกเพราะว่าความยึดความติดนี่เป็นสัตว์นรกครับความยึดความติดนี่เป็นสัตว์นรกแต่ บ, บุคคลเหล่านี้ก็น่าสงสารเพราะว่าเป็นน่าสงสารครับ <c oughs> คือหลงไม่รู้เพราะฉะนั้นอารานาบทุตักระดาบทไปสั่นสมความหยุดเฉยๆนิ่งๆดับไม่รับรู้อะไรไม่ทํา คือหน้าที่คงาธาตุรู้มันจะต้องรู้ไปกดข่มไม่ให้มันทับเบีนาธาตรู้เลยแม่้มันรู้อะไรเลยเ ข, ข, ขย้าไปเร้าไปเข้าไปยังมาทํางานยังมาทํางานคุณสร้างแบบนี้มันก็ได้แบบนี้จริงและคุณก็นอกจากไม่รู้โลกไม่รู้อะไรแล้วคุณก็ยังโง่เป็นกฎเนีมันจมอยู่อีกซึ่งมันก็จะต้องขึ้นมารู้แล้วก็มาเรียนรู้ล้างออกไปกว่าจะได้คลายออกมาก็าจะได้มาเรียนรู้ใหม่แบบสมาธิแบบพุทธ โอ้อลานาบทอุทกดาบทเอ้ยเพราะว่าปกติคนมันก็นานกี่ล้านล้านล้านชาตินะปกติคนไม่อวิชามันก็ไม่รู้อยู่แล้วอ่แถมไปปิดไม่ให้รู้ในเรื่องสอนไปอีปิดไปอีกยิ่งดันเขาไว้ไม่ให้มันแข็งตัวไม่ให้มันมารับรู้ทารู้ไม่ทํางานกันไปอีกมันก็จะดึกดาบันเป็นล้านลานล้านชาติเลยครับฟังแล้วก็น่าสงสาร่ยเพราะที่บอกว่าผู้พิจารณาสกดจิตแล้วก็ หลงว่าตัวเองดับได้ดับได้เนี่น่าสงสารอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพะอธตรมาก็รู้ว่าอันนี้มันเคยหลงแล้วกเคยรู้แล้วแล้วก็ไม่เอาแล้วเ้ามาบอกออมาบอกมากระจายความให้ฟังนะเพราะงั้นคำว่ากายสรุปอีกทีหนึ่งมันสรุปอีกหลายร้อยล้านครั้งอะกายเนี่ยต้องมีธาตุรู้เข้ารู้ ต้องมีธาตุรู้เข้าร่วมเสมอจึงจะเรียกว่ากายขาดธาตุรู้เข้าร่วมเรียกว่ากายไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์นรกชนิดที่กดข่มกิเลสตัวเองไปเป็นมนุษย์พืชเนี่ยกายของเขาไปองค์ประชุมอยู่ข้างใน แล้วก็หลงว่าฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันไม่ยอมตายฉันยังไม่ยอมตายแล้วก็ทำรักษาพลังงานนั้นไว้ให้มันเป็นชีวะไปเรื่อย เ, รอยเพราะไม่เคยเรียนรู้ชีวตรูปไม่รู้จักชีวิตินทรียมันจะรู้ว่าเป็นชีวะระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้พอดึงเอารูป ร, ราคะขึ้นมานะ จิตใต้สําสนึกขึ้นมาเรีนยนรู้ได้เนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋อจิตสําสนึกหมดไปกิเลสในสิทธิ์สานึกที่เป็นนรกเป็นสวรรค์ดับไปแล้วจิตใต้สําสนึกขึ้นมาเป็นสิทธิ์สํานึกแทนคุณจึงจะรู้ชัดพระอนาคามีจึงจะรู้ว่าอ๋อโอปะ ป, ะปาติกะความเป็นสัตว์ทางจิตวิ ญ, ญญาณเป็นอย่างนี้เองเพราะเกิดเป็นผู้ผปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าฐานยังไม่ถึงอนาคามีแทนจะไม่รู้จักโอปปาติกะหรือสัตว์โอปปาติกะได้แท้ชัดเจนท่านทั้งรุกเรียกอนาคามีขึ้นไปเป็นผู้โอปปาติกะหรืออุปปาติกะเป็นผู้ที่รู้ว่าอ๋อความเป็นสัตว์โลกในระดับกางเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองดับความเป็นสัตว์โลกเป็นระดับกางพลังงานที่ไม่เป็นสัตว์โลกระดับกางหมดไปแล้วทังเหนือแต่เฉพาะพลังงานของจิตจริงๆวิญญาณจริงๆว่าอ๋อ ไอ้นี่เป็นของหลอกของปลอมของนี่เหรอสัตว์หยาบอย่างเงี้ยโอ้นี่หนี้แม้เหลืออยู่ในรูปราคะอรูปราค า, ปป า, คามันยังเป็นสัตว์อยู่เลยโอ้โหกูเป็นสัตว์เพราะผู้ที่เป็นปุถุชนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสัตว์หรอกใครไปบอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธแต่ตัวเองเป็นเดรัจฉานยิ่งกว่าเดรัจฉานตอนโกรธอะไรก็เป็นเลยครับนะอตอนตอนโกรธก็ยิ่งเป็นหนั ก, กอีกเออ เพราะงั้นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเนี่ยคุณเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธคนที่โกรธนั่นคือเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าเดรัจฉานครับเพราะคุณไปบอกไปด่าเดรัจฉานไปด่าช่างมา้างัวควายเอ๊ะเดรัจฉ า, ามันโกรธไหมมันก็ไม่ทุกเชียร์ไหมเออเห็นไหมมันยังไม่ทุกเลยเพราะมันไม่โกรธคนโกรธคนทุกเชียร์ไหมคนที่ยังสัมผัสแตะต้องอะไรก็แล้วแต่ ทุกอยู่นะ่ะยังนรกกินหัวอยู่ทางนั้นนะเป็นสัตว์นรกอยู่ทางนั้นนะเพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานไปด่ามันว่าไอ้สัตว์เดรัจฉา น, า ม, น, น, าานมันไม่โกรธมันเลยไม่เป็นเดรัจฉานยิ่งกว่ามนุษย์ที่โกรธไปรับสมมุติว่าเขาด่าฉันว่าเดรัจฉานแล้วก็ไปคิดว่าเดรัจฉานคือสัตว์ชั้นต่ํา เลยต่ำํำกษัตวย์ฉันต่ําอีกซ้อนเงยอีกท้อนเงยอีกเว้นไหมเรี่ยความงโง่ที่ซับซ้อนมุนรอบเชิงซ้อนนั่นความงโง่ครับและอาการจริงเมื่อคุณยึดถือว่าเขาด่าฉันมีตัวตนขึ้นมาแล้วคุณก็ยิ่งโกรธเลยก็งโง่ซ้อนงโง่ทีแค่รับว่าเขาด่าฉันก็ตัวตนเกิดแล้วพอยิ่งไปโกรธซ้อนกันไปอีกอ้าวก็งโง่ซ้อนก็ไปอีก โกรธหนักกันไปอีกซ่อนกันไปอีกกูจะต้องฆ่าเองมันว่าฆ่าทาไมสัตว์โอ้โหตอนนี้ยิ่งร้กาดเขี้ยวงอกก็กาลังจะขมั่มเข้าเกิดเลยเป็นสัตว์ที่ร้กาดมากแล้วก็ทายิ่งทําจริงเลยขยํำเขาด้วยเขี้ยวงอกนั่นจริงเลย ฟังใีเดียแต่มาพยายามขยายสภาวะเอาภาษามาอธิบายให้ฟังมันกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นคนหลงเนี่ยหลงตัวเองซับซ้อนเห็นไหมครับ <c oughs> น่ากลัวโลกก็เหมือนกันยิ่งได้มากยิ่งเอาอำนาจมาใหญ่มาว่ามากดมาขม่มมาเอาปรีบเอารัฐมาได้ชนะค้าคารแล้วก็มาทำให้สมใจตัวเองบ่มนือตัวเองวเองวเงจริงๆเลย เพราะฉะนั้นเมืองไทยนี่ยังอัตมาก็ยังหวังอยู่ว่าจะเกิดอาริยธรรมอาริยภูมิขึ้นในผู้บริหารประเทศแก้ไขช่วกันแก้ไขสัจธรรมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นพุทธกันดยส่วนใหญ่เอาเถอะเปศาสนาอื่นจะรู้ไม่รู้ก็ไม่ว่ากันเพราะคนลศาสนาแต่ผู้เป็นพุทธ น, น่าจะเป็นผู้ที่รู้มีธาตุโพธิมีธาตุตรัสรู้ ที่จะจัดการตนเองและทําประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็ยังเชื่ออนาวังก็ยังเชื่ออยู่ว่าโลกประเทศไทยเนี่ยก็คงจะไม่สิ้นไรอาริยะบุคคลที่จะช่วยชาติบ้านเมืองอยู่หรอกถ้าเป็นผู้นําำอาริยะบุคคลเนี่ยผมว่าเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลยอย่างยิ่งครับ ชัดเจนนะว่ากายต้องมีธาตุจิตเข้าไปร่วมจึงจะถือว่ากายถ้าไม่มีธาตุจิตเข้าไปร่วมเลยมีแต่รูป ร, ร, ปรูปรูปรูปมันไม่มีธาตุจิตเลยมันไม่รู้ตัวอะไรถ้าเรียกว่ารูปประกายมันเริ่มมีจิตเข้าไปร่วมกับรูปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้านามากายมันก็เป็นองค์รุมของ แม้แต่รูปก็เป็นเรื่องลำลองแล้วทีนี้ถ้าศาสนาพุทธนี่ไม่ทิ้งรูปรูปก็เห็นอยู่แต่ท่านไม่มีปัญหาเพราะรูปหมดฤทธิ์รูปรกยินเชียงสัมผัสลาบยศสัมเสริญหมดฤทธิ์กับท่านแล้วเป็นอนณาคามีขึ้นไปพระอนณาคามีจึงมีแต่นามก า, ายรูปประกาย ท่นอยู่เนื้อมันหมดแล้วมีแต่นา ม, มากายเพราะก็ล้างกิเลสในนา ม, มากายของตนเองเท่านั้นเพราะนั้นกายของพระอนาคามีอยู่เหนือรูปอยู่เหนือกา ม, มาพบหมดอยู่เหนือรูปด้วยกา ม, มาพบหมดเพราะพลังงานทางจิตวิญญาณของท่านเป็นอริยะแล้วอยู่เหนือและเป็นโลกุตฑรละแล้วเหนือ มันทำอะไรไม่ได้เลย น, อนะอาตมาใช้สัพท์คำหนึ่งว่ารูปหัวล้านโลกิยะเล่นได้รูปหัวล้านพวกกามได้รูปหัวล้านเล่นได้ไม่กระดุกกระดิกไม่โกรธเราตอบถึงโกรธมาก็ทำอะไรเราไม่ได้เอาไว้แค่นี้ยันไว้แค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนเด็กที่แขนสั้นๆชกไม่ถึงอ่า ผู้ใหญ่ยันหัวไว้โชคไม่ถึงเมื้อเด็กกันจันมือแสนะแสนจันโชคไม่ถึงทำอะไรไม่ได้เนี่ยอธิบายพยายามจะใช้ น, นริติปฏิพนันอธิบายสภาวะตามให้ฟังแล้วน ะ, ะถ้าเข้าใจไม่ได้อาตมาก็ยังไม่เก่งกว่านี้แล้วล่ะขนาดนี้ยังไม่รู้เนี่ยมันกำรู้ทำไงแล้ว ขยายความคาว่ากายให้ได้เพราะฉะนั้นจึงปฏิบัติธรรมอ่านกายในกายถ้าเข้าใจกายไม่ได้หรือตั้งแต่เริ่มต้นสักกา ย, ยะอ่านนามธรรมที่เป็นของตนที่เรียกว่าองค์ประชุมของนามและรูป ต, ต้นเลยนะจิตมันเข้าไปปรุงเต็มไปสังขารเราทอยู่ข้างในเป็นนามะรูปและในนามะรูปนีเจาะรงไปในจิตตัวนี้จึงไปแยกอัคุศลจิตออกได้ แยกออกได้ว่าโอ้อาการอากุศลในอาการตันาอาการโทรสะระอุพะเป็นอย่างงี้คุณแยกออกได้อีกอ่านิีัยมีวิจัยธรรมวิจัยสัมโพธิชนมีเคราะห์วิจัยไอ้ตัวนี้องอกมาได้ซึ่งเป็นนามธร ม, า ข, มของคุณว่าข้าวมันอ่ะก็ใคของมันอ่านได้คุณก็แยกจิตจากกายจากองค์ประชุมนะไม่ใช่กายคือร่างที่ไม่รู้เรื่องมันมีองค์ประชุมอยู่ในมีจิตร่วมอยู่ในนั้นอ่ะแยกได้ พนเริ่มแยกออกมาเป็นเวทนาเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็ยังเป็นสังขารอยู่นะอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นี่คือสังขารแยกสังขารที่เป็นเวทนานี่ออกได้ว่าแล้วเหตุตัวไหนจิตตัวไห น, จ, ตตไหนจะเป็นสาราคาสะสโทสะแยกตัวสาราคาสะสาโทจิตในจิตออกได้อีกกําจัดอกุศลจิตที่เป็นสาราคะสะโทสานั้นพ้นโมหะคือไม่หลงผิดแล้ว พระพุทธิรู้ราคะโทสะคือผู้พ้นหลงผิดพ้นโมหะกำจัดถูกพ้นอวิชชาไม่รู้จนมาศึกษารู้แล้วก็พยายามอ่านอ๋อมหาคตะมหาตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้เจาะลงไปในนั้นจึงเรียกว่าพ้นโมหะและก็จับตัวสัจจะของอากุศลจิตสราคะสะโทสะได้ พ้สะโมหะไม่เป็นสราคะสะโทสะก็ฆ่าไปจะฆ่าตัวราคะก่อนจะฆ่าตัวพยาบาทก่อนนะก็ฆ่าไปจริงๆแล้วพยาบาทมันซ่อนอยู่ในกามอยู่ในราคะนี่แหละมันซ่อนพยาบาทมันซ่อนอยู่ในนั้นะคือมันมีตัวตนชอบจะได้เป็นตัวตนเมื่อไม่ได้มาเป็นตัวตนไม่ได้มาเป็นของตนไม่ได้มาสัมผัสลดให้ตน โกรธเป็นแปลว่ตีกลับตีกลับของความไม่ช็ไม่พอไม่สมใจเป็นแาลว่าตีกลับไม่สมใจเท่านั้นเองนี่คือคําว่ากายเมื่อเข้าใจแล้วก็จะรู้ให้ได้ว่ากายของตนสักกะิ์แล้ของตนกายของตนอานนามมาทำตัวนี้ได้เมื่อรู้แล้วอ้อนี่กายในกายของเรา ก็อ่านกายในกายที่เป็นเวทนาที่เป็นจิตที่อยู่กับคุณเลยว่าธรรมะที่มันทรงอยู่กับคุณมันยังไม่หายไปไหนมันมีอกุศลธรรมอกุศสลจิตอยู่ด้วยทําลายอคุโสลธรรมอกุศสลจิตเมื่อทําลายอกุศลตัวนี้ไปได้ธรรมะที่คุณทรงอยู่มันก็ไม่มีอกุศลตัวนี้จิตตัวนี้ก็ไม่มีอกุศลตัวนี้ทรงไว้ที่จิตของคุณมันก็ไม่มีจิตตัวอกุศลนี้ จึงเรียกว่าทรงไว้ซึ่งจิตที่สะอาดขึ้นจนคุณเอาออกหมดเลยเป็นอรหันต์หมดเลี้ยงธรรมะของคุณก็ไม่มีความสกปรกเลยสะอาดหมดเลยจึงทรงไว้แต่ความสะอาดเรียกว่าธรรมะสะอาดธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งที่เปื้อนที่สปกปรกก็เป็นอธรรมเอาออกให้หมดพระอรหันต์จะต้องมีเหตุมีเงื่อนไขนั้นธุลีละอองขนาดไหนก็ออกให้หมด นี่คือการล้างกายล้างความประชุมของจิตองค์ประชุมองค์รวมองค์ประกอบของจิตที่เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดไม่ดีไม่งามพาเป็นทุกข์พาไม่เจริญทั้งหลายทั้งแหล่เอาละนั่นเป็นปรมัติที่ได้พูดกันไปอธิบายกันไปมากมาย ก็คงนั่งนิ่งหมดเลยพูดไม่ออกเลยถูกมนคลังะสะกดมนคลังใครไม่รู้เรื่องก็นั่งมืดงงไหมใครรู้เรื่องก็โอ้โหสว่างสว่างสว่างสว่างก็มีอยู่สองทิศทิศนั่งงงมืดมืดมืดแอนดมืดไม่เลื่อพวกสว่างก็นิ่งเพราะว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห รูสว่างสว่างสว่างก็มีสองทิศ ต, ตัวนี้แหละใครไปทิศไหนบ้างใครไปทิศมืดไม่มีแฮเอ็ดีจังเลยใครไปทิศสว่างโอโ้โหดีจังเลยอ่าเข้าท่าอ่าสว่างไม่มากดีถมตนไว้ดีนะ่ไม่ตกอวดดีนะ่สว่างยามเชา้าสว่างยามเชา้า <laughs> ไม่ใช่สว่างเที่ยงวัน ครับเอานะอันทีนี้ในประเด็นที่ถามมานะมันมีความซับซ้อนอยู่ตรงที่ว่าน ะ, นะมันมีความยาบประกอบมาในนี้นะสังคมกลุ่มนี้ก็อย่างอย่างนี้คือกระหายกล่องและเงิน ไม่ย้อนทวนปฏิเสธกล่องและเงินนะเป็นอย่างไ่โลกจะทำอยู่เพราะข้อเสนอเนะจากผู้เรียนคือวน อ, บอุบลนิสิตวนอบลในชั้นเรียนนะประเด็นจะสอบวัดผลประเมินผลเนียจะเอาปรนัหหรือเอาอัตนยัยนี่ประเด็นยังเดียังไม่ได้พูดถึงประเดนอัตนยัยประนัหหมายความว่านะมีครูออกข้อสอบให้คุณตอบ เอาไปขอข อ, อะไรนั้นก็ตอบง่ายๆสั้นๆพวกนี้ก็ไม่ไม่มีความรู้ก็เดาได้แต่อัตนัยนี่คุณต้องมีข้อมุณเองต้องคิดเองคินเองห็นเอ ง, เองแม้อัตนัยก็ยังเอาป ร, ปริยัติเอาบัญญัติความจำมาตอบได้ยิ่งปรนัยแล้วนี่ยิ่งมักง่ายน่ปรนัยก็ยิ่งมักง่าย เพราะฉะนั้นทางโลกเขาก็ไม่รู้จะทําไง aining, เขาก็อาศัยสองอยา่างต้องการเร็วันปริมาณมากเขาเลยจำเป็นต้องทําอย่างปรนัยเขาขี้เกียจจะอา่านข้อสอบคําอธิบายมากเขาก็เอาปรนัยถ้าคนไหนขยนันอาจารย์คนไหนขยันก็เอาอัตไนเขียนมาเลยบรรยายมากนะแล้วก็อ่านคําตอบเอาอัตนยัยทีนี้พวกเราเนี่ยจริงๆแล้วลองตอบซิว่าปรนัยกับอัตไนเนี่ยอันไหน อันไหนเป็นของแท้มากกว่ากันอัตนัใเป็นของแท้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าตกลงเราจะสอบอย่างปรนัยหรืออัตนในกันดีทีนี้อัตนัในี่คือให้คะแนนไปถ้าครูอยู่ร่วมด้วยมันจะให้คะแนนได้นี่ทำงานร่วมไปร่วมไปร่วมไปก็พิจารณาเก็บคะแนนได้ไปเรื่อยๆแต่ครูที่ไม่ค่อยได้ร่วมมาสอบมาสอนก็จ้องใช่ปรนยัยเพ่าะตนั้นเอง เพราะว่าถ้าทำ ไ, ได้แค่ไหนถ้าทําได้เป็นอัตนัยก็แจวมากเพราะอัตนัยก็ตรวจยากคนที่ทําอัตนัยเก่งตอบข้อสอบเก่งสั้นรักเข้าใจง่ายคนนี้เละยอดอย่างอัตมานี่ไม่ยอดรุ่มราบยาวเฟื้อยพนไฟวนมาอัตนยัยไม่ค่อยเก่งถ้าเก่งพวกคุณจะโอ้โหได้จากอัตมาเก่งเลย รับรองบรรดานี่บรรลุอรหันต์เป็นหลายคนแล้วมั้งผมว่าอย่างเงี้ยเหมาะเลยครับอเพราะครับเพราะว่าถ้าสั้นมาไม่รู้เรื่องครับเอาเห็นไหมมันซอนกันเห็นไหมครับคือภูอ ม, มิธรรมผมยังไม่พ อ, อถ้าภูมิธรรมพอพูดสั้นเนี่ยมันจะเข้าใจลึกซึ้งแต่ภูมิธรรมไม่พอเนี่ยมันงงเลยครับงงใช่ครับถ้าเผื่อว่าภูมิธรรมพอแม้จะพูดหลายหนหลายครั้ง มันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันรู้รู้รมันก็รู้ยิ่งรู้ยิ่งแน่นยิ่งขยายผลยิ่ง ม, ม, มุมนั้นมุมนี้มันก็ยิ่งเช่าใจชัดแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยพูดสั้นๆไม่รู้ก็ทิ้งกันเลยไม่รู้อ่าเราก็ไม่พูดอีแล้วัครับไอ้ที่พูดมาแล้วก็ยังไม่รู้เลยเราไม่พูดดี ก, ก็จบครับเพราะก็ต้องทนเมื่อยอัตมาก็ต้องทนเมื่อยเนี่ยพูดไปซ้ำซากวนเวียนยําแล้วย่ําอีกน่ะเบื่อไม่ลง เบื่อไม่ได้เบื่อไม่ลงผมเป็นคนฟังไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่หรอครับนะก็คุณดีแล้วนะเข้าใจง่าก็ดีแล้วคุณไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่คนฟังคนพูดมันต้องเมื่อยแน่นอน น, <c oughs> <c oughs> น่ก็คนปรุงคนพูดแล้วคนนั่งนิ่งๆฟังเอาฟังเอามันจะไม่เมื่อยเท่าคนปรุงคนพูดหรอทั้งปรุงทั้งพูดคนฟังนั่ง นั่งรับเฉยๆมันไม่เมื่อยเท่าได้ไงคือ okay, ปรุงไม่ปรุงธรรมดาปรุงธรรมดาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอีกอต้องปรุงพิสดารนี่ครับใช่ต้องปรุงต้องโขงต้องออกเรี่ยวออกแรงต้องอยงิ่ต้องมาแอคชั่นอะไรแต่อู้ <c oughs> มันยาก <c oughs> อ้าวตกลงปนันนัยอัตนยัย <c oughs> ก็ไขแล้ว <c oughs> อยู่ที่อาจารย์นะตอนเนี้ย จะขยันตอบอย่างสอบอย่างอัตนายหรือไม่หรือจะสอบอย่างปรนายมันยังจาเป็นอยู่ก็จาเป็นต้องสอบปารณายกันไปนะแต่ใครอยากจะทำอัตนายก็ทำเสริมเังตนเองนะทำบันทึกทำขยายความทารายงานทำวิจัยทำอะไรไว้นั่นแหละลักษณะอัตนายเท่านทาวิจัยทนะเป็นเรียบเรียงรวบรวมอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้โศกเราได้แค่นี้นะ มันยังไม่มีมวลพอยังไม่มีคนมาร่วมมาช่วยกันมากเท่าไรนักก็ค่อยๆเป็นไปอาตมาไม่เร่งรัดเพราะถ้าอาตมารเร่งรัดหรือแวดแวดล้อมหวานล้อมอาตมาจะไม่ได้เนื้อเนื้อมาเพราะอาตมาต้องการเน้นเนืนเน้อให้เนื้อกว่ามากเน้นลากไม่ยากก็แล่นพอจะลากถูกรูทุกังเท่าไรไม่เร็วไม่แล่นไม่เร็วจะยากกว่ารูทุกางเอางก็เอ า, ๆๆเอานี่ดีกว่า เล่นลากไม่อยากก่อนแรเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นขั้นขั้นม่เอาไม่เอาเอ า, เอาจริงๆริงเน้นก่นให้นแน่นกว้างอาตมาเอานีาจ้จริงๆค่อยทําไปได้เท่าไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาตมามั่นใจว่าอธิธรรมนี่คือแกน่นเพราะเราไม่เอานา้ำเอานเอาเนื้อเนื้อไม่เอาน้ําเลยมัดยาวคัดออกเลยไม่เอาเศษทุตีเอาเนื้อเนื้อเพราะได้แก่นแล้วมันจะเล็กจะน้อยมันจะไปนานอาตมา เอาตรงนี้ไปนานแล้วก็มั่นใจว่าจะทำแกนไปจนไม่ไม่ประมาทเพื่อพอก็เลยจานวนจะต้องพยายามภาคเพียรรักษาขันจะเมื่อต่อไปอีกก็ยอมลงทุนะจะหนักจะเหนือ่อยยังไงก็ทำไปอีกเพื่อให้มันแน่นให้มันแ น, น่น่นอย่างมั่นใจพระอาตมาจึงภาคเพียรที่จะรักษาขันให้อยู่ยาวนานประมาณนี้กล่าวว่าอีกนะถ้าตมาตอนนี้ เจ็ดสิบเกินเจ็ดสิบสองไปได้80ละนะถ้าไปถึงขั้นร้อยแปดมันก็จะครบอีก36อีกรอบที่สครับร้อยแปดร้อยแปดจะครบรอบที่สจากร้อยแปดไปถึง144จะเป็น36 ร, รอบที่สี่ถ้าเจ็บจบร้อยสี่สิบสี่อัตมาก็สมบูรณ์แบบแน่ขอเสวยวิมุตติอีกเจ็ดปีแสดงว่าร้อยดูธรรมะของศาสน า, าพุทธอีกเจ็ดปีแสดงว่า144ร้อยสี่สี่ปีเนี่ยครบเลยบริบูรณ์หมดเลยปรงุงอายุสังขาญอพอเจ็ดปีในเสวยวิมุตติอครับอ้าวสรุปโดยไม่มีเวลาครับขอบคุณครับ มันเลยสิเนาฬิกาไปแล้ววันนี้ได้ฟังทำพ่อครูอย่างลึกซึ้งอัตมาวานะถ้าใครพวกเราก็ยกมือในเป็นทิศสว่างนี่ใช่ไหมไม่ได้อยู่ทิศมืดไม่มีใครมืดทักคนหนึ่งเนาะเจงจริงแต่ว่าคือวันนี้พ่อครูอธิบายอย่างแบบสโลว์สโลนะแล้วก็ชัดเจนละเอียดนะ ตอบอย่างสโลล ะ, ละเอียดแล้วก็ค่อยๆ อ, อธิบายให้พวกเราฟังอธรมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราฟังหรือซึ่งเราก็ต้องไปทบทวนต่อมันจะลืมนะเพราะว่าสภาวะหลายเรื่องเราไม่ได้เป็นจริงไม่ไมไมรู้ตัวธรรมานะไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าความความรู้จากพ่อครูไปนะแต่พ่อครูบอกสิ่งที่เป็นจริงที่สุดคือปัจจุบันนอกปัจจุบันนั้นไม่จริงแ ม, ม่อันนี้จริงๆเลยนะเราจะลดกิเลสได้ไหมถ้าเข้าใจอันนี้จะรู้ว่าสุขเทศ ตระกาใจนี้เรจะรู้ว่าสุขเทศ็ศหมดปัจจุบันไม่มีสุลงครับเ <laughs> พราะนั่นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีความจริงหรือไม่คือปัจจุบันนี่ น, นะเราตัดกิเลสได้จริงไหมเจอภาษาตูมตามแล้วความรู้ที่พูดมาปุ๊บความรู้ที่เขียนในสมุดเล่มหนาขนาดไหนก็แล้วแต่อพอเจอภาษาตูมก็พืดพลาดพืดพลาดเอาจากหลังจากนี้ก็ได้นนเดี๋ยวจะไปตักอาหารนี่นะจะรู้ความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นนะโทรสารค้าคาือมาเท่าไหร่นะ ลักษณะนั้นเราก็มาเรียนรู้ความจริงตรงนี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะ้วก็ท่านก็บอกว่าประเด็นหนึ่งที่ช า, ชาวโสกจบะบำมาทาคือรีบจบง่ายพระครูพูดไปประมาแต่จะไม่รีบจบง่ายต้องทำซ้ำาๆจนมั่นใจว่าเ้ยไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนร0 0พันเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยประเภท แบบท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำ จ, นจนแบบคือเราแบบสบายสบายแล้วว่าเราเป็นจริงแน่นอนเราไม่ได้มีปัญหาดรงนั้นแน่นอนอ น, อนาคตศูนย์อย่างมั่นใจร0 100 0 1000% เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพอได้พิตธีเราก็รีบจบยอไย่างนไม่ใช่งั้นคือไม่จบไม่ง่ายแล้วก็ให้เป็นจริงๆนะได้สิ่งที่ท่านเน้นย้าก็คือเรื่องกายอาจจบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแล้วก็เราก็ต้องศึกษานะสุดท้ายเนี่ย เราต้องร้างกายเราให้สะอาดนะทั้งรู ป, ปกายและนามกายนะพระครูอธิบายถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรในธรรมตรงขั้นสุดท้ายเราสรงธรรมเราทรงอะไรตอนนี้เราทรงอะไรนะส่งผีหรือทรงพระนะหรือว่าส่งอะไรกันแน่นะถ้าเราล้างจิตได้เราก็ส่งพระมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราเป็นแก่น พราครูก็ต้องคัดเลือกเราให้เป็นแกนตัมมาว่าเราหน้าพรูมงใจนะว่าท่านเป็นโพิษัทท่านเสียสละที่จะอยู่ต่อไปจนเราจะพิมุตหลุดพ้นได้ตัมมาดูสิ่งนั้นนะเพราะครูอยู่ต่อเนี่ยเห็นชาวโสมันยังไม่ต่อกระแตะเทอะไรไม่เติบโตไทยหลุมนั้งอัตมาด้วยเนี่ยเธอต้องอยู่ให้เราเนี่ยพิมุตหลุดพ้นเพื่อตัวสืบทอด ศาสนาให้ได้นะทั้งๆที่ดูสังขารตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในในชีวิตของท่านเองเนี่ยนะนั้นเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก็ต้องสํานึกแสดงตัวตนนะทีไอไงครับไอครับตัวฉันไงตัวตนที่บุคคลต้องสำนึกว่าไอแสดงตัวตนโดยสภาวะเลยครับนี่ไอไอฉันคือเราเห็นว่าปกติแต่ก่อนเนี่ยกูตัวกูก่อนเจ็ปีเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการเหล่านี้ใช่ไหม ถ้าไม่มีอาการแต่หลังมาแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าท่านจะต้องมีทิบาิสี่ที่จะมาสอนเราเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเราก็ต้องสำนึกขึ้นมากว่าเราจะต้องขนวายปฏิบัติเอาความจริงให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้เท่าที่เราจะทําได้เดียขอแวะนิดหนึ่งพวกคุณจะช่วยรักษาให้อัตมาหายไอได้ภากเพียในเป็นอร ห, รหันต์ใได้ดีๆอัตมาจะหายไอเลยจริงครับ เพราะนั้งยาแก้ไอหมอชนิดไหนก็ไม่หายได้แน่นอนนอกจากพวกท่านทั้งหลายเป็นอรหันต์ขอตังค์ขอขอบพระคุณพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็อนุโมทนาพวกเราคนที่จะรักษาโรคไอของพระครูได้โดยการเป็นเอวังโดยพระคราชนีเยนนี้ประชุมนาเยนนี้